ตั้งใจดีนะนี่เป็นยกแรกเลยนะอาจจะเป็นการแรกยกแรกนะยังมีครูบาอาจารย์อีกอาจารย์คลาสอาจารย์ปฐมปรมาจารย์ที่มาที่แจงธรรมะให้พวกเราฟังถือว่าวันนี้ควรจะเป็นงานอะไรเนาะ เป็นงานรวมกันจัดการทำบุญเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาเอาเป็นว่าทำเพื่อให้เกิดความเจริญศรัทธาปกติพวกเรามีศรัทธาเป็นพื้นอยู่แล้วอาศัยเสียงซึ่งประกอบไปด้วยเสียงอัดเสียงทมบ้างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้เราฟังเพิ่มศรัทธา ถ้ามีศรัทธาแล้วศรัทธานี่แหละมันจะเป็นสะพานเชื่อมลองดูเถอะถ้าไม่มีศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมไปได้ยากทําอะไรดึงใจไปมันก็ไม่ไปจะทําอะไรดึงใจไปมันก็ไม่ไปแต่ที่มันไปมันต้องดึงมันก็ไปเรื่องนี้เรื่องสำคัญไอ้ผู้ที่เป็นเจ้าศรัทธาโดยหลักธรรมชาติก็คือกิเลสตัณหานะอภ น, นหฏา ว่าแต่มันมากระซิบกระซาบเราเไปได้เลยนะไม่ต้องอธิบายเข้าใจรู้เรื่องเรากระซิบกระซาบเนี่ยไปเลยแต่ศรัทธาเพื่อเป็นการต่อสู้ต่อต้านคำมันนียากเพราะฉะนั้นเราจะต้องประกอบการกุศลเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเนือง <c oughs> นะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมะสวรังเตตัมังกลมุตตัมังกาเลนะธรมมะสักัชา เอตัมมังกะละมุตตะมันที่นั่งฟังสบายๆทำใจสบายๆนั่งภาวนาฟังมันเป็นรว้สองชั้นชั้นหนึ่งคือฟังชั้นที่สองคือภาวนาแท้ที่จริงภาวนานี่แหละเป็นเนื่อเป็นหนังของเราแท้ๆเอาใจภาวนา ฟังบงทีเราอาจจะฟังใะหูก็ได้แต่ถ้าเราตั้งใจภาวนาคุณถึงใจงานทั้งสองอย่างที่เรากาลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ตกลงสู่ภาชนะเดียวกันคือใจของเราใม่ตั้งใจภาวนานะเดี๋ยกจากนี้ไปยี่สิบนาทีส0มสิบห้าสิบนาทีฟังไปแล้วเราสารตั้งอกตั้งใจฟัง ไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้ออะไรเลยแน่เราบอกแล้วให้ตั้งใจภาวนาบาง ท, กทีการเทศการเทศฟังเทศอาจจะไม่ได้เนื้อได้นั้นได้ซับได้แสงอะไรหละแต่เราได้ประโยชน์จากการภาวนาเราไม่ผิดหวังถ้าพูดไปเนื้อหาเขาองอัดของขาทำเข้าสู่หัวใจของเราบ้างติดอกติดใจมันก็เกาะจิตเกาะใจมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง นั่งภาวนามไม่เสียประโยชน์ฟังเสียงอาดเสียงทำเข้าสู่ห้วใจก็ไม่เสียประโยชน์พราะเราตัง้งหัวตั้งใจฟังเถอะแต่ละประโยคที่จะทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะั้นเป็นการเพิ่มศรัทธาวันนี้พวกเรามารวมกันสร้างบุญเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาถ้าศรัทธามีมีสรัทาเป็นพื้นเป็นสะพานเชื่อมอะไรพร้อมที่จะเกิดก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าหาไม่มีศรัทธาแล้วหมดท่านั้นแหละอยู่ใกล้ๆก็ไม่สนใจแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วอยู่ไกลอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่เหวขนาดไหนถ้ามีศรัทธาแล้วไปถึงหมดไปทั่วถึงหมดถ้าไม่มีศรัทธาโยติดกันก็แทบไม่รู้เรื่องกันแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วโยถึงไหนถึงกันถึงกันหมดนี่ ค, คือความศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อ ความเชื่อความเลื่อมใสเราไม่ต้องมาดูคําเราดูไปความมีความเป็นที่มันเป็นในใจของเรา<ม>เหมือนอย่างที่เราไปกราบครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ดูไปในใจเราจะรู้เรามีศรัทธาไหมวันทีเราไปเราสัตว์ประกา่เฉยครูบาอาจารย์ระดับนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเราไปกราบลองดูที่เรากราบแล้วเรามาดูศรัทธาที่ใจของเราศรัทธามันเกิดขึ้นเท่ากันไหม ไม่เท่ากันดอกอมไม่เท่ากันองไหนที่เรารู้คุณสมบัติคุณธรรมของท่านเก็นที่จับจิตจับใจทูกคิดนิสัยเรื่องใส่ศรัทธากำลังยกมือพนมที่จะใส่องคงใกล้ๆนะั่นแหละแต่ว่ามันล้มไปมันล้มไปกับองที่มันเรื่องใส่ศรัทธานะนเป็นอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็เป็นนะมันมีนะอนะ ยกมือใส่อ้องหนึ่งแต่แบบมันล่องไปมันล่องไปใส่ อ, องที่ศรัทธานะฮะมันเป็นอย่างนั้นความศรัทธาความมีอะไรที่มันเชื่อมสัมพันธ์ถึงกันทําให้เราเกิดความเพียดเพลิเกิดความศรัทธาวันนี้เราตั้งใจนั่งฟังนั่งฟังตั้งใจฟังไปเถอะเป็นสริริเป็นมงคลฟังเสร็จแล้วเราไปสู่ที่สงบสงัดพวกเราสนทนาธรรม ก, กัน เป็นธรรมศทุศากติชาแต่บนธรรมะนี้ครัไม่มีเวลาสนทนากันหรอกอากนี้ไปแล้วก็หมดเวลาก็มีแต่บรรยายเทศขยายความให้ฟังตอนนั้นเองแต่ที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือตั้งใจภาวนาไปเถอะแท้จริงทั้งหมดต้องลองมาเพื่อภาวนาการที่เราตั้งอกตั้งใจให้ทานมากๆทําสิ่งที่ยากที่สุดทําสิ่งที่หวงแหนที่สุด เดี๋ยวสลับมาเพื่อเป็นการบการกศุศลตลอมมาเพื่อหัวใจของเราขยับขึ้นมาตั้งแต่รักษาศีลตั้งใจรักษาเพื่อตล่อมเข้ามาสู่หัวใจของเราดึงศรัทธามาจากทานดึงศรัทธามาจากศีลมาตกสู่ภาชนะคือหัวใจของเราเพราะใจของเราหนึ่งเดียวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่ว ใจของเราเป็นท่ารู้เป็นผู้รูอ้อย่างอื่นไม่มีา่ารู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีความหมายอะไรในตัวเองไม่มีความหมายในตัวเองเราดูไปที่คนสเสาวคนเสาไม่มีความหมายอะไรในตัวเองมันไม่เหมือนเราเรามีท่ารู้เรามีผู้รู้รู้เรารู้เขารู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งที่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะ ด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงแสวงหาความสุขความเจริญต่างคนต่างแสวงหาความสุขความเจริญความสุขความเจริญเข้าสู่หัวใจความสุขความเจริญเข้าสู่หัวใจสัตว์ลอกเกิดมาไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนต่างคนต่างฝ่ายต่างตัวต่างดิ้นรนเพื่อหาความสุขเข้าสู่หัวใจแต่ว่าความสุขเหล่านั้นมันมีสิ่งเคลือบแฝงมา ที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขความเจริญอย่างแท้จริงนั้นเข้าถึงได้ยากไม่เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เราเข้าถึงตามหลักที่ท่านสอนเอาไว้จะเข้าถึงความสุขอย่างรวดเร็ว <c oughs> และก็เป็นความสุขที่ไม่มีปัญหาทุกทั้งหลายทั้งปวงตา ม, มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเราแสวงหาปัจจัยสีเนี่ยเราแสวงหาปัจจัยสี ถ้าหาเราไม่ไม่เดินตามรอยของศีลของธรรมเนี่ยอาจจะมีหน้ามีตามีทรัพย์มีอะไรได้ลาบได้ยศอยู่ได้เกียรติอยู่แต่บางคราวให้ความสุขนิดๆ ห, หน่อยๆไม่นานเดี๋ยวความทุกข์ตามมาเพราะอะไรเพราะการแสวงหาเหล่านั้นอาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ตั้งอยู่บนสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะก็ได้ถ้าหากไม่ตั้งอยู่บนสัมมาอาชีวะแล้วแสวงหาในทางที่ผิดแล้ว สิ่งที่ตามมามีความสุขประเดี๋ยวประเดาท้วนั่นแหละเดี๋ยวความทุกข์ท่าไหลายทั้งวงก็ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสแสวงหาปัจจัย4แสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่องประกอบด้วยกามกามคุณกามคุณวัตถุ ก, กามทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของกามคุณรวมไปถึงยอดของกามละเอียดรูปเราตัวเราทั้งก้อนน เป็นยอดของการมคุณการสแสวงหาการมคุณนั้นนะ่ะเราได้มาและเรามีความสุขเพราะการมคุณทั้งหลายที่ทําให้เราเห็นว่ามีความสุขมันจะมีความสุขแบบกระตุ้นเรากระตุ้นจิตใจของเราเราจิตใจของเราทําให้เราเกิดความตื่นเกิดความเต้นสแสวงหาสิ่งนั้นได้มา สมใจพอใจดี อ, อกดีใจกระตุ้นร้าใจให้ตื่นให้เต้นในที่สุดเรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีของใช้ของสอยมากมายใช้ไปใช้ไปใช้ไปมีความอิ่มมีความพอมันหมดความกระตุน้นหมดความร้าใจเกิดความเบือ่อเกิดความหน่ายอันนี้คือความสุขในโลกีความสุขในกรรมคุณ มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่พระรุยาท่านสอนเปรียบเทียบมาเพื่อให้เราหาความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนสแสวงหาลาภได้อยู่สแสวงหายศได้อยู่แสวงหาเกียรติได้อยู่แต่ถ้าหากเราไม่สแสวงหาความสุขที่ละเอียดประณีตลื่เข้าไปถึงขั้นของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วมันจะเจอความสุขที่แท้จริงได้ยากได้มาแล้วเสียไป มีใช่มีสอยเพียงพอเดี๋ยวก็เบือเบ่อเดี๋ยวก็นายอย่าว่าแต่ยังอื่นเลยแม้แต่คู่ครองเราเนี่ยบริโภคไปบ่อย บ, อยบอริโภคเนื่อเงือบเกิดความชินชาเบื่อหน่ายคลายใจหมดสิ่งกระตุน้นหมดสิ่งที่เราใจเห็นไหมหาใหม่และ้ะสิ่งใดสิ่งใดที่เรามีเมื่อในเมื่อหมดความกระตุน้นหมดความสนใจเรามักจะ ให้ไปแจกไปหรือทิ้งไปหาใหม่เหมือนอย่างเราใช้รถนี่แหละใช้ไปใช้ไปใช้ไปรถที่เราเคยใช้สะุวกสบายนั่นแหละใช้ไปใช้ไปมันชิปเห็นว่ออกคันใหม่อยากได้คันใหม่ละมันล่อใจอยู่ร่ําไปเพราะความสุขแบบโลคีนั้นเป็นความสุขช่วยกระตุ้นให้เรามีความเร้าใจกระตุ้นใจของเรา ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับมีรถดีชาติถึงกระนั้นก็ตามถ้าเราสอบสแสวงหาตามหลักที่พุทธิเจ้าท่านสอนที่เรียกว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมโดยเฉพาะอย่างอยู่ในศีลเนี่ยเอาศีลเอาธรรมมาเทียบกันจะอยู่ในศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยไม่ประพูดผิดในกาไม่พูดเท็จไม่ดื่มชูกำไม่ไรเนี่ยนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยท่านให้มีเมตตาสัตว์นีมีเมตตาสัตว์ เมตตานี่แหละมันจะเป็นธรรมะที่ทำให้จิตของเราอ่อนน้อมเห็นอดเห็นใจมีความเมตตาสงมารอย่างแนบแน่นมั่นคงเข้าไปอีกคือเมตตาไม่ใช่ว่าแค่เราเมตตาและไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวนะความไม่ฆ่าสัตว์เราไม่สินเราไม่ขาดท่านอยากให้มีเมตตาเมตตานี้ถ้าหากเราไปใช้กับคนก็ทำให้เขาเนี่ เป็นเพื่อนเป็นมิตรสนิทสนมกรงเปรียวกับหวัวใจของเราแต่ถ้าเราเจริญโดยลำพังของเราเนี่ยทำให้ใจของเราคนเดียวอ่อนนิ่มไม่ตายอย่างเดียวนี่เป็นอารมณ์ทางหัใจของเราได้รับความสงบเป็นน้ำเชื่อมน้ำประสานฟังแทว่ว่าหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดาสรเสวนที่สาคัญที่สุดคือมีสติทาการกคลยาตายไปไม่ขาดสติ แม้แต่อสสรพิษก็ทําร้ายไม่ได้แม้แต่ธนูอาบยาพิษก็ทําอันตรายไม่ได้นี่อเนสงของเมตตาเราดูที่สุวรรณสามเนี่ยสุวรรณสามท่านพระพุทธเจ้าวสวยชาติสุวรรณสามยิ่งด้วยเมตตาบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมียิ่งด้วยเมตตาบา ร, รมีสุวรรณสามเนี่ยถูกพระเจ้าพระราศียิงธนูอาบด้วยยาพิษ สลบลงไปแล้วเนี่ยพระเจ้าฟารานสีก็เลยไปตามพ่อตามแม่มาระลึกสํานึกผิดได้ตามพ่อตามแม่มาพ่อแม่มามาตั้งสัจญาทิฏฐานแผ่เมตตาเพื่อช่วยหลือนุ่งอาศัยความเมตตาที่สุวนรณสามทาอยู่เป็นประจําเป็นอาชีพอยู่แต่กับสัตว์สัตว์ป่ามาเป็นเพื่อนเป็นมิ้นเป็นชายเดินตามเป็นฝูงเป็นฝูงสุวนรณสามอยู่ป่าพ่อแม่ เป็นฤาษี อ, อเป็นดาบดพ่อเป็นดาบดแม่เป็นดาบดที่นีคือทั้งสองคนเนี้ยพ่อแม่แต่งงานให้ไม่มีความประสงค์ทจะมีการจะมีครอบครัวแต่ด้วยเหตุที่ว่าฝืนพ่อแม่ไม่ได้เขเลยแต่งงานแต่งกันไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่เคยจับแตะต้องกันเลยแหละทีนี้พากันออกไปบางเพ็ินอยู่ในป่าอันนี้อดีตชาติของพระพุทธเจ้านะ ในชาติที่ใกล้ๆมาเนี่ยอดีตชาติของพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านไปเสวยชาติเป็นสุวันอสามทีนี้ยูมายูมาเทวดาดูอะรักษาเนี่ยเห็นว่าทั้งสองคนนี่จะมีอันเป็นไปตาจะบอดพ่ อ, อทั้งผัวทั้งเมียตาจะบอดทั้งดาบอดทั้งดาบอดชนิดตาจะบอดทําไงถ้าไม่มีคนดูแลจะอยู่กันยังไง อยู่สองคนอยู่ในปา่าตอนเช้ามาไปหาผลรหมาราดไม้มากไม่อยู่บํำเพ็ญสมาธิสม า, สมาบัติอยู่ในปา่าอยู่มาเทวดาก็มาบอกอว่าจะมีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทําลูกเพื่อให้เกิดเถอะให้เกี่ยวข้องกันให้มีลกูกเพื่อลูกจะได้ดูแลทั้งสองคนก็โอ้เป็นไปไม่ได้ทําไปไม่ได้เพราะใจไม่ให้เลยว่างั้นเถอะไม่จำเป็นจะต้องไปทาําเหมือนเช้าโรกเขาบอก เพียงแต่เอามือไปลูบท้องดาบทเอามือไปลูบทองดาบทดเชนีแค่นั้นพอทําตามที่เทวดาแนะ น, นํานางดาบทศเชนีนะครับตั้งท้องขึ้นมาคล้าออกมาก็คือสุวรรณสามีมีโร่งงามนะคือพระชาติมันก็เปริชาตชาติหนึ่งอยู่ในป่ามังเพ็นเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในปา่าถูกยิงพ่อแม่ไปอธิษฐาน ไปอธิษฐานพิษของธนูทั้งหลายทนะั้งปวงนะครับถูจืดหมดแหละสลบแล้วนะด้วยแรงอธิษฐานของพ่อด้วยแรงอธิษฐานของแม่แล้วก็ด้วยแรงอธิษฐ า, า, านของเทวดาเทวดานะั้นเคยอดีตชาติเคยเป็นแม่ของโวนอาสามช่วอธิษฐานทาให้พิษทั้งหลายนี่พิษที่เขาใส่ไปในลูกธนูนะั่นแหละจืดหมดหายหมดโวนอาสาม ห, มหมายเป็นปกติขึ้นมา นี่คืออาศัาศยน้ำหนักน้ำความเมตตาพระเจ้าท่านบางเป็นยิ่งเลยเมตตาบารมีสิ่งห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อพวกเราชาวบ้านหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ฆ่าสัตว์บางคนยอมฆ่าสัตว์เพื่อมาทําบุญอย่างน้อยก็ได้อาจจะได้กําไรหลงเหลืออยู่บ้าง ล, ลงมือฆ่าสัตว์เพื่อเอามาทําบุญต้องการกําไรหลงเหลืออยู่ ดีไม่ดีไม่พอให้มันก็ก็อาจจะเป็นไปได้เคยเห็นงานกรถินงานผ้าป่าบางแห่งกว่างานจะเสร็จก็ดู ก, กองเป็นกองเป็นกองเป็นกองกรูกหมูกรดูดวัวเคยเห็นแล้วแหละกระดู ก, กองเป็นกองเป็นกองนักนแบบนั้นนะ่ะเจ้าบุญอะไรไปให้เขานะอืกว่าจะได้บุญมาแล้วก็ล้มวัวล้มควายมลูกอีตัวไอ้ตัวเล็กๆอีกไม่ต้องพูดถึง พวกปลาเป็นๆไอ้พวกเป็ดไก่เป็นๆอีกเหมือนอุท่ไลต่อเท่าไหร่นี่บางคนก็คิดว่าเราเสียสลักเสียสละกมาเป็นส่วนน้อยเพื่อต้องการบุญนะแต่ความเป็นอยู่ของเราเราก็จําเป็นต้องทําพวกเราเกิดมามีพ่อมีแม่มีอาชีพอยู่บ้านนอกข้างนาทำมาหากินโอกาสที่เราจะหลบให้พ้นจาก ปานาฆ่าสัตว์เพื่อมาเรียงชีวิตโอยามนกันนะนอกจากบางคนมีบุญจริงๆโตขึ้นมาซะหน่อยมีคนบอกก็งดก็เว้นงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพ์ไม่ฆ่าสัตว์นอกจากนั้นแล้วก็หัดมีเมตตาเมตตาเก็นเรื่องของธรรมการตั้งใจงดเว้นเป็นเรื่องของศีล การให้ทานก็จะเป็นต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาเหมกันนะการให้ทานจะเป็นต้องต่อสู้กับความทะีทิีเหนียวในหัวใจเคยได้เคยได้ฟังไหมพราหมณ์จุเลกัสานดอกนะั้นสมัยพระพุทธเจ้าสมพิชชนอยู่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าตัง้งแต่หมอข้ามพจนสวานนะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ปฐมยาณแต่พราหมณ์คนนี้ทั้งสองคนผัวเมียเนี่ยมีผ้าห่มผืนเดียว ผ้าห่มผืนเดียวกันสองคนผัวเมียนแต่พรทน้มีคนรับตัวแต่พระห่มมีด้วยกันใครออกนอกบ้านคนนั้นห่มไปใครอยู่บ้านก็ไม่ต้องห่มเวลามีออกนอกบ้านเมียก็ห่มอกเวลาผัวออกนอกบ้านผัวก็ห่มวันนั้นคืนนั้นผัวในห่มมาฟังเทศเรื่อมใสศรัทธาอยากทําบุญกับพระพุทธเจ้าเราคนยากคนจนจะได้อะไรมาเป็นประจักษ์พยานแทนสัทธาในหัวใจของเราเห็นแต่ผ้าผืนเดียวนั่นแหละตั้งใจจะให้ตั้งแต่หังว่าข้ามให้ยังไม่ได้ ه, ถ้าเราให้ไปเราก็ไม่ได้ใช้ภรรยาก็ไม่ได้ใช้แน่ความตันีมันยังดึงเอาไว้อยู่ปฐมยามให้ยังไม่ได้ยามท่ามกลางคิดถึงอีกจะให้อีกให้ยังไม่ได้อีกนูน่นไปให้ได้ยามสุดท้ายเนี่ยใกล้จะสว่างแล้วเลยเป็นเรื่องบอกให้เราทราบว่ า, าสมัยพุทธกาลทั้งประเทศตลอดของึงกั น, นปฐมยามมัชชิมยามแล้วก็ปัจฉิมยาม ไปให้ได้ยามสุดท้ายหลังจากตัดสินใจให้ได้เด็ดขาดถวายทานกับพระพุทธเจ้าอุทานขึ้นมาเลยชิตทั้งเพอชิตตั้งเมชนะเลยเชนะแล้ ว, น, ลวนี่คือชนะการต่อสู้กับความตระหนีนทน่ที่เหนียวในหัวใจของเราตัณหาใน ห, ในหัวใจของเรามัพยายามดึงพยายามร่างทุกอย่างตัณหาดึงร่างความตรนีที่เหนียวอยากได้ัวปัญหานู่นจะมีปัญหานี้จะมีไม่กล้าเสียสละ แต่บางคนเริ่มใสศรัทธาปุ๊บปั๊บทำได้เลยเคยเห็นสมัยลุงตาท่านเทศ่ปปาลทองคำนั่นบางคนถอดสร้อยคอบางคนถอดแหวนถอดกำไรมือถอดถวายเลยเนะ่ยออกอย่างสดสดร้อนๆเลยอย่างนั้นถ้าทำได้แบบนี้ถ้าว่าอ น, นิสงแรงก็เหมือนอย่างที่ปราโมทยนทหารนะให้ได้ตั้งแต่ปฐมยามเนี่ยจะได้อันนิสงถึงสิบหสิบหส่วน โดยเหตุที่ปทมยามให้ไม่ได้ถ้าเพื่อให้ได้ในะยามท่างกลางอันนี้สองจะลบลงไปครึ่งหนึ่งเหลือแปส่วนแต่ยามต้นก็ให้ยังไม่ได้ยามท่ามกลางก็ให้ยังไม่ได้มาให้ได้ยามสุดท้ายเหลืออันนี้สองแค่สี่ส่วนเห็นไหมเราดูความตั้งใจเสียสละตามกําลังความเรื่มใสายสถาความเร็วความชานะ้าเนี่ยมันจะมีศพอันนี้สองไม่เท่ากันนะนะปุ๊บ ป, ปั๊บให้ได้เลยนะีอันนี้สองแล้วสิบหส่วน ย้อนไปอีกสหน่อยให้ได้ในยามท่ามกลางแปส่วนขาดไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งไปให้ได้ยามสุดท้ายเหลือไอแปดส่วนหายไปเหลือครึ่งหนึ่งได้ได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนี่คือความสําคัญของจิตใจของเราใครตั้งใจปุ๊บปั๊บทาได้เลยเป็นมหากุศน์เป็นบุศน์ที่ยิ่งใหญ่มีผลมีานีสงแรงสิ่งที่คอย ดึงคอยรั้งเอาไว้คืออะไรคือแรงต่อสู้เราจะต้องขย่ยกันะสิ่งนั้นคือตันหาในหัวใจของเราตันหาคือความจำเป็นทีเนียวตันหาความยากเพราะเราเห็นว่าความจําเป็นในการสแสวงหาปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าผ่อนยูยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นระดับชีวิตเราสแสวงหาก็ได้ยากแสนยากเพราะฉะนั้นจะให้แต่ละทีแต่ละทีต้องคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอี ตัณหามันก็เลยมาพลอยผสมโรวมให้เขาไปแล้วเราได้อะไรให้เขาไปแล้วเราได้อะไรตัณหาในหัวใจของเราตัณหามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตของเรานั่นแหละไม่มีใครปั้นมาให้ดอกพ่อแม่ท่านก็ไม่ได้แบ่งมาให้ไม่มีเทวดาเทวดาที่ไหนปั้นมาให้แบ่งปันมาให้ดอกเกิดขึ้นตามธรรมชาติของผู้รู้เองผู้รู้คือใจของเรามันเกิดมาไม่พอที่สุ์ ไม่พอไม่พอที่สุดปนเปื้อนมากับตัณหานี่แหละเหมือนกับมันมีตัวมีตนตัณหาเราพูดอย่างนี้เราพยายามย้อนดูปฏิจจใจของเราเราจะเห็นตัณหาคือกิริยาของความอยากในใจของเรากิริยาของความอยากในใจของเราอันนั้นแหละเรกว่าตัณหาแต่ให้เราเข้าใจอีกว่าอยากตามอำนาจของสมุทัยหนึ่งเป็นเรื่องของคิเลี้ยงยาทำตามอำนาจของมัด อันนั้นเป็นเรื่องของมัจคือข้อปฏิบัติอยากเหมือนกันไม่แค่ว่าตั้งใจปฏิบัติเริญองศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่มีความยากยากมีศีลนั่นแหละยากมีสมาธิยากมีปัญญายากมีมัจมีผลมีนิพพานแล้วกระตาผมตั้งใจปฏิบัติให้คุณรรเราทำเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นความอยากอันนี้ถ้าว่าเป็นมัจเป็นทางดําเนินซึ่งอคติกกรรมความเป็นอยู่ของเราเราควรจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าอย่าความรอดกะซิบความโกรธกระสิบก็ทราบราคาตันหามกระสิบก็ทราบในหัวใจของเราให้เราตอบสนองมันด้วยเหตุที่เราเนี่ยกิตใจของเราเนี่ยฝึกฝนอบรมไม่พออำนาจของความหลงเลยครอบครุมาในหัวใจของเราหลงเพลินทําให้กับมันลุกอำนาจให้กับมันอ่าลอบลอบลอบลบลบคอยได้คอยได้คอยได้คนอื่นไม่ได้ช่างมันคอยเราได้ เอามามากไม้หม า, มาสารใช้สอยไม่หมดจะเปือ่อยจะเน่าจะทิ้งจะอะไรสักอะไรก็ตามขอให้เราได้ขอให้เราได้ไดนี่คืออานาจของตัณหามันแทรกเข้ามาเป็นเรื่องของสมุทยัยสมุทัยเราไล่ไปสิการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราไม่ต้องไปไล่ละเอียดไปนั้นเราดูความอยากของมันมันเป็นกิริยาความเลวทามของใจของเราเนี่ยที่มันเห็นแก่ตัว กี่กลับกีกันกีโปรชาติมามันเกิดขึ้นมันก็สะสมตัวมันอยู่อย่างนี้มันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันไม่จบมันส่งเสริมเราอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเหนียวแนมมันคงยึดติดกับสิ่งสิ่งที่มันควรจะได้มันควรจะมีมันจะยึดมันจะมันไม่เคยคิดที่จะเผื่อแผ่คนอื่นหรอกถ้าเป็นเรื่องของตันหาแล้วนะถ้าเราลงมือทําตามนั้นทั้งหมดบางทีก็สมห่างอยู แต่หลังจากนั้นระยะเวลาเนิ่นนานไปด้วยเหตุที่ผิดกฎหมายบ้างผิดระเบียบบ้างผิดกรอผิดคําพูดผิดคาสัญญาอะไรต่ออะไรเกี่ยวกันด้วยกันแ ล, แล้วสโนยหนึ่งเดี๋ยวความทุกข์ตามาเราจะเห็นว่าในสังคมเรามันมีอยู่รำ่ำรวยมหาศาลมีนู่นมีนี่มีนี่มนีนัเดี๋ยวมีโจทย์ฟ้องเดี๋ยวมีโจทย์ฟ้องนี้เดี๋ยวบิดเอาอนุนจากคนนั้นเดี๋ยวเบี้ยวเอาอันนี้จากคนนี้คอร์รัปชั่น จานนู้นขอรับชั่นจากนี้เราจะเห็นว่าอันนี้คือคุณสมบัติของตันหามันให้ความสุขปปเดียวก็ดาวเท่านั้นแหละเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือตันหาตันหาดาึงเอาไว้มัอนรั้งเอาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องความอยากของสมไทยนั้นนะ่ะคืออยากให้ทานเนี้ยอยากรักษาศิ่งอยากภาวนาเหมือนอยา่างวัดเรามีงานวันนี้ ท่าเปิดโอกาสให้พราหมณร่วมบุญทําทานยาให้ทานมาตั้งโรงทานท่านจะสมาทานศินแบจากได้ศินแบบสินห้าก็เอาเอาศินห้าเสร็จแล้วสมาทานสินแบบต่อตั้งใจรักษาให้ได้ความอยากแบบนี้ท่านรียกว่ามากเพราะการที่เราเจริญสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราให้มากนั่นนหะมันเป็นคุณธรรมในหัวใจของเราเพื่อที่จะไปสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเรา เรื่องของตันหาะนะั้นน่ะถ้าไม่ลุกถึงขั้นของสัตว์จะทำแล้วมันไม่มีสยบมันไม่มีจำยจเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องทานเรื่องศีลขยับมาเรื่องภาวน า, าพูดถึงเรื่องศีลหายจบไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังมีเมตตาด้วยข้อสองไม่ลักทรัพย์นอกจากไม่รักทรัพย์แล้วพยายามประกอบสัมมาอาชีพ สัาอาชีพก็คือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดศีลด้วยไม่ผิดธรรมด้วยอาชีพที่ไม่ผิดศีลด้วยไม่ผิดธรรมด้วยมีอยู่อ่าเราจะไปเราจะต้องไปฆ่าสัตว์บางคนมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์แต่ถ้าสมาทานศีลปั๊บต้องกดต้องทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฝืนมันมีมือสั้นมือยาวชอบลักชอบขโมยชอบหยิบชอบบิดชอบเบี้ยวชอบยักยอกสารพัดที่มันจะทํายพอเราสมาทานศีลปั๊บ ต้องเจริญเดินตามทางสัมมาชีพสัมมาชีพสัมมาชีพก็คือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอะไรอาชีพที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่ดูหมิ่นชั่วรทั้งหมดถือได้ถึงว่าเป็นสัมมาชีพอย่างหนึ่งสัมมาชีพคือมีอาชีพในทางที่ชอบนั่นอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมไม่ประพฤต ผิดในกาลคำว่าพระพฤติผิดในกาลหมายความว่าผัวเมียนอกใจ ก, กันและกันแท้ที่จริงผัวกับเมียนั้นเป็นสมบัติแก่กันและกันสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีถ้านอกใจกันแล้วท่านถือว่าขโมยสมบัติของกันและกันสามีมีชู้ถือว่าขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำรเดิมคนนี้ ภรรยามีชู้ถือว่าภรรยาขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่นคำคำนี้เราฟังแล้วมันแสลงหมูมากไู้มันมมมน่าละอายระเกินมันเป็นของอยหยาบคายทานมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงคนที่โดนคนที่เจอคนที่ตั้งใจเด็ดเดียวที่จะมีคู่คู่ครองคู่เดียวเนี่ยเวลาประสบพบเจอจริงจังตับไม่ได้ทำไม่ได้แต่กันกลางกัน ปกติมนุษย์อยู่คนเดียวโดดเดียวไม่ได้จําเป็นจะต้องมีคู่เพราะฉะนั้นเราบริโภคเป็นคนคู่เหมือนสามีภรรยาบริโภคกันและกันทั้นถือว่าบริโภคไฟในเตาผู้บาญาท่านชอบเรียก ว, ว่าไฟในเตาไฟในเตานี่มันเกิดประโยชน์นะทั้งหุทั้งต้มทั้งหนึ่งทั้งปิ้งทั้งย่างทั้งอะไรต่ว อ, อะไรได้หมดแต่มันต้องอยู่ในเตาแต่ถ้าเอาออ ก, ออกนอกเตาหมายความว่ า, วาสามีภรรยาเอาใจออกนอกใจกันหนึ่งเป็นโทษ เป็นโทษเอาออกนอกเตาแล้วไฟไหม้ไห ม, ไม้บ้านไหม้เรือนไหม้โน่นไหม้ไหม้สรรพัดไหม้หัวใจเรารู้เถิดครอบครัวที่บ้านแต่สลายขาอันเกิดขึ้นจากผิดศีลข้อสามเนี่ยโอ้ยลำบากทารุณระเกิดทำให้ลูกเกิดปมน้อยเคยเจอมาหลายหลายรายบางทีอยู่ด้วยกันทำอาหากินด้วยกันมีความร่ารวยด้วยกันมีลูกด้วยกันสองสามคน เวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรใครมีอำนาจกวา่าคนนั้นหะกลุ่มอำนาจไว้เปนอย่างจะจะยากันไม่ยากตัวทรัพย์จะต้องถูกแบ่งไม่ยาล ะ, ะใครผิดใครหนีไปใครผิดใครหนีไปหนีไปก็จะไม่ได้ทรัพย์ตต่คนต่างอยากได้ทรัพย์อยู่ด้วยกันต้องกดต้องทนต้องฝืนถ้าผู้หญิงมีอำนาจกวา่าผู้หญิงก็กลุ่มทรัพย์นั้นไว้ทั้งหมด ถ้าผู้หญิผู้ชายมีอำนาจกว่าผู้ชาย ก, ก Guys, ะกลุมทรับไว้ทั้งหมดทุกลำบากเรือร้อนแทนที่จะิงสามีภรรยาถ้าหากเราคิดว่าเป็นคู่บารมีกันอันนี้จะเหมาะสมที่สุดให้เราคิดว่าเป็นคู่ปรึกษ eh? าหาหรือเป็นคู่งานเป็นคู่คิดเป็นคู่เป็นเป็นคู่ตายสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันถือว่าเป็นคู่บารมีกันผู้ช่วยเสริมความสุขความทุกข์สุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันอันนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุด ใครมีคู่ครองพักให้ตั้งอยู่ในฐานะที่ว่าโอ้เี๋ยเรามีคู่บารามีเราไม่เป็นคนเดียวโดดเดียวเราอยู่ยังมีคู่ครองมีใจสองดวงแฝดอยู่ด้วยกันต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างเขาพห้องยำเกรงกันต่างคนต่างไม่ลอกลูกดูถูกกันสามีภรรยาดูถูกกันไม่ได้นะดูถูกกันแอแตงกันคราวเดียวนั่นแหละดูถูกญาตฝ่ายหัวก็ไม่ได้ ดูถูกญาติฝ่ายเมียกับม่ไรเมียดูถูกญาติฝ่ายผัวก็ไม่ได้ผัวดูถูกญาติฝ่ายเมียก็ไม่ได้เป็นญาติตั้งแต่ใกล้ชิดไปจนห่างไกลออกไปเป็นปู่เป็นทวดเป็นอะไรรวมมดทั้งตระกูลดูถูกไม่ได้อย่าดูถูกเด็ดขาดนะดูถูกปั๊บโอ้ยความสําคัญม่นหมายที่สามีภริยาเคยยึดครองเป็นคู่ครองมันจะจืดมันจะตกหล่นลงไปทันทีแล้วแหละความทุกข์มันจะเริ่มขยับเข้ามาสู่หัวใจตรงนั้นแล้ เพราะฉะนั้นอดคิดอย่างเดียวโอ้คู่ครองเราบารมีคู่บารมีของเราปรับสุขด้วยกันปรับทุกข์ด้วยกันถึงคราวว่าสามีถูกภรรยาผิดภรรยาก็ต้องยอมครับถึงคราวภรรยาถูกสามีผิดสามีก็ต้องยอมรับแท้ที่จริงทั้งสามีทั้งภรรยาถ้ามีธรรมะเท่ากันใครเป็นหัวหน้าก็ได้ สามีเป็นหัวหน้าก็ได้ภรรยาเป็นหัวหน้าก็ได้แต่ถ้าสามีเป็นผู้ไม่มีธ <sett> รรม <sett> ไม่มีสิล <sett> ไม่มีธรรมภรรยาเป็นผู้มีสิลมีธรรมถ้าให้ภรรยาเป็นคนนานะเป็นผู้นาให้สามีเป็นผู้นาแต่ครอบครัวนั้นแต่ถ้าหากภรรยาไม่มีธรรมสามีมีธรรมให้ถือตามสามียอมรับผิดถูก ช่วดีอะไรยอมรับแก่กันแล้วกัน <c oughs> คือคือเป็นคนแข็งคนหนึ่ง <c oughs> เป็นคนนําคนหนึ่งและเป็นคนตามคนหนึ่งทั้งสองคนนั่นแหละถึงคราวที่ใครแข็งขึ้นมาคือคนเหตุที่จะทําให้คนแข็งมันมีอยู่หนึ่งเหตุปัจจัยเขารู้เองเขาเห็นเองว่าเขาผิดเขาไม่ผิดเนี่ยเขาเหตุปัจจัยเขารู้เองเขาเห็นเองเขาแข็งใจเราเพราะเขาไม่เหตุเขามีปัจจัยพร้อมนี่เราฟังเหตุผลแล้วเราก็ยอมรับนะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีสิ่งนั้นนี้ไปเกี่ยวข้องใครมีเหตุผลชัดเจ็นมากกว่าขยอครับต่างคนต่างแข่งคนละครั้งแล้วก็อ่อนให้กันคนละครั้งอยู่ด้วยกันอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ผิดโอกาสที่จะไปทะเลาะบอกแววงถกเถียงกันให้ลกูกให้หลานให้มันได้ยินได้ฝังไม่มีถึงคราวสามีรุนแรงรรยาเงียบถึงคราวภรรยารุนแรงสามีก็เงียบ สักหนยหนึ่งหายโกรธแล้วก็ไปปราบทุกข์กันนี่เป็นคู่บารมีแท้อย่าว่าไม่สาคัญนะคู้บารมีพระพุทธเจ้าท่านยังมีคู้บารมีเห็นไหมสมัยเป็นสมัยธรบดินทนระ์นางปาฏิกานะั่นจะสมัครมาสมัครเป็นคู้บารมนะีจะไม่เอาจะมาเอาจะเป็นพอค์เดียวดดเดียวเพราะตอนนั้นท่านเป็นฤาษีเหาะเหินเดินอากาศได้นะีนะ่ที่มาร่วมสร้างถนน ตอนรับพระพุทธทีบังกรน่ยนะในสุดก็มีผู้ที่มีความรู้เขาแ น, นะนํามีบารมีนั่นแหละช่วยเหลือกันช่วยเสริมรบารมีของเราให้เต็มเราหนุนเต่พระเวชนนท์กำกนาังมัดจีมาแล้วค่ะช่วยเสริมรบารมีกันให้เต็มชูชกไปขอชาลีปัญหา ไ, หไปขอชาลีไปขอปัญหาเพราะชูชกเนี่ยรักเียมีเมียสาว ทำไมาชูชกคนแก่ถึงมีเมียสาวเพราะชูชกเป็นนักขอขอทานขอทานได้ในซับแล้วก็ไกปฝากไว้ ก, กับยายนึงแต่ยาให้คนนั้นมีลูกสาวขอได้ไปฝากไว้ขอได้ไปฝากไว้ยายเนี่ยไปใช้หมดเ <c ười> วลาไปทวงเอาซับเนี่ยไม่ได้เลยไหนสุดต้องยกลูกสาวให้แน่เป็นเหตุให้พุทธเถ้าได้เมียสาวพอได้เมียสาวไปแล้วเนี่ยเมียสาวคนนี้นึ่ดูแลคนนี้บัดหัวเถ่าอย่างนี้ดีอ่ะ จนคนในบ้านอิจฉาคู่สามีภรรยาในบ้านก็อิจฉากันวันไหนไปตักน้ำบ่ อ, อข้างนอกไปเจอกับยายเนี้ยนะ่ะไปเจอกับนางอมิตตาเนะี่ยรุมดุรุมว่ารุมทุกรุมตีนั่นแหละเพราะเธอนะี่แหละเพราะเธอนะี่หผัวฉันถึงตีฉันเพราะเธอนะี่เพราะเธอนะีอ่แหละ <S <s <ays> <S เพราะนางเหล่านั้นนะปฏิบัติสามีไม่ดีแต่นางอมิตตาปฏิบัติสามีดีพรารุมตี ชูช็อปก็คิดหาบทาทเอ e, ้ยเราไม่อยากให้นากออกไปอย่างนั้นนะได้ยินว่าพระเวสสันดรนี่บริจาร์พ้ำเห็นว่ามีชาลีกัญหาที่ไปขอซ้ำชาลีกัญหามาจะให้รับใช้สําหรับเอาไว้รับใช้นี่คือความหมายในระหว่างที่ไปขอนั่นนะ่ะนางมัทสีไม่อยู่ไปออกป่าไปหาผลไม้เนื้อแต่พระเวสสันดรกับกับบุญธิดาเนี่ยพระเวสสันดรก็เลยดํางปรีว่าเออเราจะต้องรีบ ให้ถ้าเราไม่ไม่รีบให้ตอนนี้มัดซีมาเนี่ยคงไม่ได้ไปแน่แคงให้ไม่ได้เพราะผู้หญิงนี่จะต้องขัดขวานก็เลยเป็นอย่างนั้นจริงๆในสุดเทวดาก็ช่วยเองน ะ, ะพระพิสุทธิ์บดก็เลยให้มัดซีให้ชาลีปัญหากับชูชชชูชชให้ไปแล้วถือว่าถือศีล้วหนึ่งเอาเชือกมามัดมือมัดตีนไม่ลาทั้งลากทั้งตีทั้ ง, ง, งอะไรกว่าจะเอาออกไปได้ในระหว่างที่ตกลงงใจให้ลูกออกไปยังไม่ได้ มัตสีจะกลับมาก็ลกลับมายังไม่ได้เทวดาช่วยเป็นราชาสีเป็นเสือเหลืองเสือครก ไ, ไปขวางทางเอาไว้ขอให้ชูชกเอาไปห้นชะก่อนถึงจะเปิดทางให้นางนนกลับไปนี่คือคู่บารมีอพอหลังจากชูชกเอาเอาเออกไปแล้วเทวดาก็ปล่อยให้นางมัดสีกลับไปก็ผิดเวลาวนะี่เนี่ยพระเวสสันดรเห็นแทนที่จะพูดนั้นพูดนี้ดีด ขูซะ ก, ก่อนไปไหนมาค่ามืดดึกเดินไปโมเดสนุกกับลูกสีชีภไยในป่าที่ไหนไหนมาพินแหวนเวลาค่ามืดดึกเดินไปนี่ขู่ซะ ก, ก่อนเั้นนะ่ะ <c> ข <oughs> ู่ซะก่อนนานเลกัถามหาลูกเงียบเรียลกลูกคนนั้นก็นเงียบเรียลกลูกคนนี้ก็เงียบวิ่งหาร้องไห้อยู่ในนั้นแหละเพว่าถ้าคิดระยะทางเป็นไม่รู้ตั้งกี่โยกแล้ววิ่งหาชาลีกันหาพระวิษณ์ดอนนั่งภาวนาช่ พอการเวลา ล, าล่วงไปพอประมาณพอสมควรก็เข้าไปเข้าไปถามพระพิเศษดลก็เลยบอกตามตรง เ, ออเราได้ให้กับพราหมณ์ชูชกไปแล้วมาอนุทนาร่วมกันมาเรามาสร้างบา ร, รมีร่วมกันมาเป็นบา ร, รมีร่วมกันนี่นางมัดสีนะทั้งทั้งที่น้ําตาเต็มหน้านะ่ะพอพระพิเศษดลบอกความจริงอย่างนี้จ้า ทั้งทั้งที่น้ําตาเต็มใบหน้านี่คือคู่ปรมิมีทำได้ไหมถ้าเราเราทำได้เราอยู่เย็ยนเป็นสุขเราอยู่เย็ยนเป็นสุขทีนี้พระอินชลากเดี๋ยวเราถึงพระอินพระเวสสัตว์มีใจมีใจทานทําทานอยู่หรือมัดสีมัดสีดูแลอยู่ลูกให้เขาไปแล้วแต่ลูกให้ไปไม่ใช่ให้ไปเปล่านะตั้งราคาเอาไว้ชาลีราคาเท่านั้นการหาราคาเท่านั้น คนที่จะมีราคาซื้อได้ราคามากถึงขนาดนี้จะมีใครไม่มีใครซื้อได้ชาลีเท่ากับต้องเอานมาันไทยราคาเท่ากับทองเท่านั้นลิมเท่านั้นลิมกันหาเท่ากับทองเท่านั้นลิมเท่านั้นลิมทีนี้ชูช็กมันก็เลยเอาโอรสทีดานนี่ยแหละไปหาเจ้าปู่เห็นไหมเห็นไหมเขาไปเรียกกันกินจนท้องแตกหนสุดก็ตายไม่ได้อะไรสักอย่างชูชก อาตามตำนานนะทีนี้เทวดาเห็นว่าเรามัดสีถ้ามีใครมาขอมัดสีพระองค์จะต้องให้ไปอีกพระอีกก็ฉลาดได้ไนะ่ยแปลงเป็นพรามเท่าไปขอมัดสีนะพระพิษณุโลกก็ให้หลังจากให้เสร็จแล้วก็มอบเพราะว่าหมดหมดแล้วนะให้พรามเท่าให้พรามเท่าไปแล้วเนะี่ยถือว่าหมดสีทแล้วแหะหมดสีทในมัดสีแล้วก็เลยมอบมัดสีให้เป็นคน เฝ้าดูแลรักษาแต่ไม่มีสิทธิทจะให้ใครแล้วเพราะให้พรามเท่าไปแล้วนะพระอินฉลาดไหมนี่เราพูดถึงพระชาติพระชาติหนึ่งของพระพุติเจ้าที่ท่านทำกับมัดสีกับชาลีกับกันหาในการทำเป็นบารมีมาร่วมกันบางคนก็โหดร้ายว่าพราะองค์โหดร้ายให้ชาให้มาให้อะไรแต่อะไรเป็นทานหมดให้ชาลีให้ลูกให้บุตรให้ธิดาให้ภรรยา ไม่มีเมตตากรุณาเลยทำไมจิตใจโหดร้ายทารุณขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพระวิสันด์ดาท่านให้อะไรแต่ละอย่างท่านจะตั้งปณิธานในใจว่าช้างมาเอยชาหนกัญหาเอยมัดสี่เอ่ยทรัพย์บสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะมีค่าที่สุดทั้งหลายทั้งปวงเอยไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นที่รักของเราจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ แต่พระโพธิญาณเรารักยิ่งกว่านี่คือปณิธานของของท่านในสรุปองค์ได้บรรลุประสบผลสําเร็จได้เอาหลักธรรมศักยธรรมทั้งหลายมาบอกมาสอนพวกเราเรานี่เราพูดถึงศีลข้อสามมันก็เลยรุกรานพระยาสี่ข้อสามนั้นท่านให้สันโดษนะสัญโดษในสามีของตนในภรรยาของตนอันนี้เป็นเรื่องของธรรมข้อสี่ก็คื อ, อมุกสาไม่มุกสา นอกจากไม่มุสาแล้วก็พยายามพูดแต่คําสัต์คําจริงสิ่งที่เป็นธรรมก็คือสัจจ์มีความสัต์มีความซื่อทั้งสัจจ์ทั้งสัจทยัติสัตตยัก็คือสัตจซื่อนั่นแหละซื่อสัตจสุจริตความมุ่งมั่นสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรวมก็ถึงสัจจ์สัจจ์ก็พยายามถือให้เห็นไปเรื่องละเอียดหลอนึกเข้าไปถึงข้อเท็จจริงส่วนดึกอย่างอย่างแท้จริงที่จะเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมเนี่ย ศินข้อสีนอกจากไม่พูดเท็จแล้วก็ยังให้ถือสักจับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมแล้วก็ข้อข้อสุดท้ายไม่ดื่มไม่ดื่มสุราและกมาลีไรสุราคือยา้ำกลั่นเมรัยคือน้ำดองน้ำดองทั้งหมดที่เราไปกินแล้วเมาเป็นน้ำดอกเป็นเมรัยทนะั้งนั้นอ่าเป็นเมรัยสุราคือยา ก, กลั่น กลั่นเอาน้ำอะไรพวกมันไม่รู้ทั้งหมดนั่นคือเหล้ากินไปแล้วเมาเสร็แล้วก็เรื่องของธรรมนั้นท่านให้ตั้งสติสัมรวมในน้ำเมาแต่ถ้าเรากินน้ำเมาไปแล้วมันขาดสติอย่าลืมว่าขาดสติตัวเดียวเนี่ยยังอื่นล้องไปหมดนะสินข้หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยล้องไปหมดเลยเพราะคนไม่มีสติ ค, คือคนบ้าพวกเราทั้งหลายพอจะเป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะว่าเรามีสติล้องขาดสติ ค, คือคนบ้า จิตของเราเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้แต่ไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าชั่วสติมันเป็นตัวไปทําลายไอ้เล่ามันเป็นตัวไปทําลายสติเมื่อสติขาดไปสัมผชัญญักก็ขาดไปความรู้ว่าผิดว่าถูกว่าชอบว่าชั่ววันนี้ก็ขาดไปขาดคุณสมบัติไปทั้งหมดถ้าสติตัวเดียวเป็นคนบ้าเฉลยขาสติตัวเดียวเป็นคนบ้าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น สิข้อห้าจึงเป็นเป็นเรื่องสําคัญปกติเราเมาในการมมงคลทั้งหลายทั้งปวงอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินของที่ทําให้เรามึนเมาถึงขนาดนั้นเราเมาในลาบในยศในเกียรติเราเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่แล้วอือันนี้คือเมาโดยปกติสิ่งที่พายเมาคือตันหามพายเราเมาตันหาความอยากนั่นพายเราเมาเมาในรูปมันอยู่อย่างนั้นมาจนฉินชา โรปไม่ดีมันก็ไม่ชอบโรคดีมันก็ชอบเสียงไพเราะมันก็ชอบเสียงไม่ไพเราะก็ชอบอง่าเสียงด่าทอมันก็ไม่ชอบนี่เรื่องความชอบใจเรื่องของตังหารมันเป็นเรื่องที่มันเลือกเอาทั้งหมดนอกจากมันเลือกเอาแล้วมันคิดเอาคาดเอาเดาเอากะเอาเกณฑ์เอาสำคัญมั่นหมายเอาเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ทุกข์ยากอยู่ลาบากเพราะว่าเรามาคาดมาเดาและสาคัญมั่นหมายเอา สำคัญมั่นหมายเอาเรื่องใหญ่เลยและเรื่องการสำคัญมั่นหมายถือเอาเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้เท่าทันมันยากมากก็เหมือนอย่างเราถือว่าเราเราเรากายเป็นเราเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราเป็นของของเราขันห้าทั้งหมดนี่แหละคือเราคป็นของขอ ง, ของเราพุทธิย่าท่านท่านสอนว่าไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราแต่ด้วยเหตุที่เราเมานีเอง เราจึงหลงหลงไหลยึดถือว่าอัตภาพร่างกายนั้คือเราคือของของเราคืออัตตาตัวตนของเราแล้วก็ยึดเหนียวแน่นมั่นคงยึดเหนียวแน่นมั่นคงบางคนเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เอาเลือดสักหยดเลยไปเกิดในท้องแม่พอเวลาคลอดออกมารู้เดียงสาภาวะโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาไอคําว่าอัตตาตัวตนมันก็ยิ่งเหนียวแน่นมั่นคงอัตตาตนความถือเนื้อถือตัวนะ ตัวนี้สําคัญมากร้ายกาจมากอัตตาก็คือตัณหานันหลยตัณหามันปรากฏหน้าหน้าตาก็มันออกมาก็คืออัตตาตัวตนตัวตนมาเกิดขึ้นในใจของเราถ้าหากเราเป็นนักภาวนาเราพยายามสังเกตเราจะรู้อ่ามันเพิ่มขึ้นมาอัตตาตัวตนตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวก็เกิดขึ้นก็มีขึ้น เราดีกว่าเราฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเรามีอานาจกว่าเรารวยกว่าอ่าเรามีความรู้กว่าอะไรกว่ากว่านี่ยมันจะตามมาก็เพราะว่ามีตัวมีตัวแล้วจะต้องมีกว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่ให้เราได้ยินได้เห็นได้ฟังทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เราดูเราเห็นมีอยู่ไอ้สิ่งที่กว่ากว่าดีกว่าเด่นกว่าดอยกว่าแล้วมันมีอยู่มันก็เลยไปเกิดข้อเทียบเคียงหากอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ สิ่งเหลนี้โผล่ขึ้นมาเมื่อมีสิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาการสอดส่งหาปัจจัยสี่ต่างคนต่างต้องการก็มีการยื้อแย่งกันมีการแข่งขันกันมีการลักกันมีการขโมยกันมีการปล้นกันเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวเห็นกก่ตัวว่าเราว่าเราเรามีเพื่อเราเลยไม่บอกมีเพื่อผัวเรามีเพื่อมีเรามีเพื่อลูกเรามีเพื่อพ่อเราแม่เรา มีเพื่อตระกูลเราเขาจะมีเหยียบเราไม่ได้เราเราเราโผล่ขึ้นมาอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรทิฏฐิมานะโผ ล, ล่ขึ้นมาทิฏฐิมานะโผล่ขึ้นมาทีไรมันเป็นเพลงของตัณหาทั้งหมดซึ่งมันแปลเราผิดอยู่แล้วโอกาสที่เราจะรู้จะเข้าใจเท่าทันมันยากมากถ้าเราไม่มาตั้งใจรักษาสิลงพระพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้น เรื่องเหล่านี้เราจะรู้เราจะเข้าใจได้เราจะต้องเข้าสู่แนวปฏิบัติสินสมาธิปัญญานะตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้มัดที่มาปฏิบัติธรรมสินสมาธิปัญญาศินนี้คือต่อสู้แนละ้วเห็นไหมดังอธิบายฟัง น, ะนับตั้งแต่การให้ทานมาต้องต่อสู้ไหมต้องต่อสู้ต่อสู้กับความอยากในหัวใจของเราตัณหามันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับผู้รู้ของเรานั่นหละ หามันพัฒนามากี่กับกี่การกี่ชาติกี่ปุริชาติกี่อสงไขยกลับมาแล้วเราไม่รู้ถ้าเราแต่ละคนแต่ละท่านรึกระลึกย้อนหลังได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าโอ้ยเกิดมาไมารู้กี่อสงไข่กลับมาแล้วแหละไม่ให้เราเพิ่งมีเพิ่งเป็นในอัตภาพนี้เกิดมามารุ้ตั้งกี่กั บ, ก, บกี่การกี่อสงไข่กลับมาแล้วแต่ด้วยเหตุที่เราปนเปื้อนมีสิ่งปนเปื้อนคือตัณหาเนี่ยมันปนเปื้อนมาด้วยตัณหามันปนเปื้อนมาใคร มาชามาทาให้กับเราไม่มีหามันเป็นธรรมชาติมันโผล่ขึ้นมาด้วยกันพลอขึ้นมาด้วยกันกับผู้รู้ด้วยเหตุที่ผู้รู้ไม่บริสุทธิ์นี่เองในผู้รู้นบบั่นแหละพุทธิยถาทาทรงตั้งไว้เป็นกองสังขาร น, นั่นแหลคือกองสังขารในผู้รู้ดวงนั้นมีอนิจจ์ทุกขังน่างๆเพราะในผู้รู้นั้นเป็นกองสังขารกองสังขาร น, นามกองสังขารรูปคือกายของเรากองสังขาร น, นามก็คือใจของเรากองสังขาร อกองสังขารนั้นจะต้องมีสั ญ, ญลักษณ์ลักษณะ3อย่างที่พระพุทธเจ้าท่ายกมาให้พวกเราศึกษาเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของกองสังขารทั้งหลายทั้งปวกเหลา่หลานี้เพื่อจะเพื่อจะเป็นจริงที่ช่วยขัดเกลาให้เราเข้าไปรู้เข้าเห็นสัจจคข้อเท็จจริงความจริงที่แท้คืออะไรเป็นอะไรนี่แหละคือเป้าหมายคือจุดมุ่งหมายที่เราตั้งหตั้งใจศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ ที่เรียกว่าสัจจสัจจธรรมสัจจธรรมนี่แหละคือสัจธรรมทุกสมุทัยที่เราทำนี่แหละคือสัจธรรมทุกมีจริงหรือไม่มีทุกเราปรากฏอยู่เต็มหน้าเต็มตาเต็มหัวใหญ่ของเราด้วยกันทุกคนลักษณะของทุกก็คือร่างกายของเราเนี่ยคือลักษณะของทุกความเจ็บความปวดป่วยไข้มีกิริยาการที่มันเกิดขึ้นจากจากกองทุกของเรา ใจของเราที่ประกอบไปด้วยตัณหานั่นแหละนั่นแหละคือกองทุกข์เพราะมันเป็นกองสังขารเป็นกองสังขารก็ต้องมีกองทุกข์อันนี้อางทุกข์ข้งหน้าตายอยู่ในนั้นมันปรากฏมันปราก ฏ, ม, ากฏมันปรากฏกับเราในลักษณะว่าเป็นกองทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสุข บ, บ้างทุกข์บ้างทก บ, บ้างสุข บ, บ้าง เสียใจบ้ากดีใจมากนี่เลยคือกองทุกข์ถ้าให้รู้ทุกข์รู้ทุกข์ทุกนี้เป็นสัจจเป็นสัจธรรมการที่เราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้แล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดาเนือในการปฏิบัติธรรมท่านจึงชี้มาที่กองสังขารกองสังขารเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราไม่รู้อีก คุณจะย้ําท่านทรงตรัสไว้ตามหลักที่พระองค์ตรัสไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทว่าอาวิชชาอาวิชชาความไม่รู้นะะี่แหละเราพูดภาษาเราเราคือความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดกองสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกองสังขารจากนั้นแล้วมันก็พัฒนามามีวิญญาณมีนามรูปมีผัสสัตถก็เหมือนอย่างที่เราเป็นเป็นอยู่นี่แหละร่างกายของเรามีทั้งรูปมีทั้งนามในกายของเราน่ยมีนามซ่อนอยู่ คือผู้รู้ผู้รู้ขเราจะออกมาได้ออกมาทางทวารออกมาหาอยู่หากินตามเรื่องของมันตัณหามันออกมาหาอยู่หากินออกมาทางตาไปเกี่ยวข้องกับรูปออกมาทางหูไปเกี่ยวข้องกับกับเสียงออกมาทางลิ้นออกมาทางจมูกเกี่ยวข้องกับลิ้นออกมาทางลิ้นเกี่ยวข้องกับรสออกมาทางสัมผัสทำให้เรารู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้คือผู้รู้เรามันออกมา ออกมาทางถวาณถวาณนั่นคือประตูตาหูจมูกร่างกายใจนี่เป็นประตูผู้รู้เรามันอยู่ข้างในนะั้นแหละมันออกมาออกมาแล้วก็เสพสุขเข้าไปพอใจยินดีก็เสพสุขเข้าไปออกมาแล้วเจอสิ่งที่ไม่ดีเสพทุกข์เข้าไปไอ้ทั้งทุกข์ทั้งสุกเนี่ยเนี่ยคือตัณหามันแปลให้เรื่องของตัณหามันแปลให้มันแปลเข้าตัวมันหมดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด มันเห็นว่าดีมันก็ไม่ชอบใจมันเห็นว่าดีมันก็ชอบใจเมื่อชอบใจแล้วก็ส่องแสวงหาแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามามันเห็นว่าไม่ดีแล้วมันก็ไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปทีมออกไปนะผลักออกไปทีมออกไ ป, ป, ออกไปนี่อันนี้เป็นเรื่องเป็นนิสัยดั้งเดิมของตัทหามันจะแปรอยู่อย่างนี้แหละกี่กับคีกันกี่ปุเรชาตมาแล้วถ้าหารเราไม่ฝึกฝนอบรมเรื่องศีลเรื่งธรรมไม่รู้ไม่เข้าใจเราปลอยเป็นปล่อยวิ่งต า, งามอำนาจของมันอยู่ทุกระยะทุกเวลา อยู่ทุกรลยงทุกเวลาเราก็จะรู้จักหน้าตาของมันอยู่บ้านเราจะต้องมาเข้าเข้าใจรู้เรื่องศิ่ตั้งใจปฏิบัติรู้เรื่องกิริยาอาการของจิตของเราขณะของจิตของเราอารมณ์ภายในจิตของเราเราจะเริ่มรู้จักมันเราจะเริ่มเข้าใจมันนิ่ตัณหามันแทรกเข้ามาอย่างนี้เพราะฉันพบชาติทั้งหลายทั้งปวงกองทุกทั้งหลายทั้งปวงที่ตามมานะ กองทุกข์ทั้งหลายทั้งวกที่ตามมามันก็ตามมาอย่างเงี้ยสาเหตุที่มันเกิดเราไม่รู้จกักเราไม่เคยไล่มาถึงสาเหตุต้นต่อที่มันเกิดสาเหตุต้นต่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดเนื่องจากว่าเรามีคู่รู้ผู้รู้ของเราออกมาทางตาไปเห็นรูปเห็นรูปดีมันก็ถึงข้ามามันก็ยึดเข้ามามันยึดเข้ามามันก็สอบหามันก็แสวงหาและก็สิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุที่มันมีไตรลักษณ์ไปเกี่ยวข้องนั่นเองเดี๋ยวหลุดไปเดี๋ยวเสียไปเดี๋ยวหายไป เดี๋ยวจำรุดสุดส่งไปและก็ทุกใจก็เหมือนอย่างเรามีร่างกายร่างกายนี่เป็นตัวทุกเป็นกองทุกเราต้องการให้ร่างกายเราอยู่เย็นเป็นสุขถึงคราวที่เรามีกําลังวังชามีร่างกายเต่งตึงอยู่อ้วนผีขาวผ่องอยู่อย่างนี้เราอยากให้มันแก่ให้มันคั้มคร่าไหมอยากให้มันจำรุดสุดส่งไหมอยากให้มันดังตามดำดำไหมพร้อมเหลือแต่หลังห้องกระโหกเราอยากไมไม่มีอยาอยากให้มันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้น นี่คือเอาหน้าของตัญหามันเสกเอาฮะมันสําคัญมันสําคัญมันหมายเอามันยึดเอามันถือเอาามาสัมผัญมันหมายอยูอย่างนั้นมีอยู่งั้นเป็นอย่างั้นอันนี้คือเหตุแห่งกองทุกการยึดเอาถือเอานั่นแหะมันเกิดเกิดมันเกิดขึ้นจากการไปสัมผัสการสัมผัสก็คือตาไปสัมผัสกับรูปในระหว่างที่ไปเห็นปั๊บในหลักท่านเรียกว่าเป็นจักขุวิญญาณแล้วก็เป็นผัสสะ และเป็นเวทนาตามาเป็นระลอกเลยนะจนป่าจนกว่าไปะถึงนู่นโสกปริเทวทุกขโทมนัสอาวาญาอันนี้เป็นเส้นสายของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทั้งไล่ให้เราฟังว่าสาเหตุให้เกิดทุกข์เกิดอย่างนี้ตาเนี่ยูกับรูปหูคู่กับเสียงกลิ่นอะไรเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละคืออารมณ์ภายในใจของเรามันจะไล่เข้ามาเป็นระลอกระลอลอระลอก เป็นวิญญาณเป็นผัสสะและก็เป็นเวทนาคําว่าเวทนาคือเกณฑ์ของการกระทบระหว่างตาหรือหูหรือจมูกหรือเลี้ยหรือการือใจของเราไปกระทบอารมณ์หนึ่งยินดีสองยินร้ายสไม่ยินดีไม่ยินร้ายทีนี้ในขณะที่เราตั้งใจภาวนาเราสามารถตรวสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเจริญมหาสติลองรู้หรือแลม้แค่เราเจริญสัมถะลองรูเอาพุทโธ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราดึงเอาคุณสมบัติของใจที่เยี่ยมที่สุดที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสติมมญญธรรมก็เกิดจากใจสัมปชัญญะธรรมก็เกิดจากใจใจคือผู้รู้ธาตรู้แต่สติมมธรรมก็คือคุณสมบัติของใจมาด้วยกันคือในใจของเรามันมีมีทั้งสิ่งดีมีทั้งสิ่งไม่ดีมาด้วยกันถ้าจะว่าไปแล้วมีทั้ง ทำมาด้วยมีท่านกิเลสมาด้วยอยู่ด้วยกันอยู่ในใจของเราดวงเดียวนั่นแหละอยู่ในใจของเราดวงเดียวอพอตาเราเห็นปั๊บพอตาเราเห็นปั๊บถ้าเราเจริญสติตั้งสติให้แน่นหนามั่นคงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธคำว่าพุโทโธนี้ท่านให้พยายามเอาใจของเราออกจากรูปจากเสียงจากดึงจากรถจากสัมผัสนะปกติถ้าหาเราไม่ว่าพุโทโธเนะี่ยมันจะนึกนึก ทุกระยะเลยเไม่นึกเรื่องรูปกัเรื่องเสียงก็เรื่องดินก็เรื่องรถก็เรื่องสัมผัสอันนี้เป็นโคจรของมันโคจอรอันนี้คือคือที่ธรรมาหากินของตัณหาตัณหามันอยู่ในแวดวงที่ตัณหามันจะมาสอบสแสางหาท ร, รมาหากินอยู่ในแวดว ง, งของสิ่งเหล่านี้ตาหูจมูกรินกายใจพอเราเห็นปั๊บพระมีสติกำหนดจดจ่อครู่นรอยู่เลยพุโทโธพุโทโธให้มันอยู่กัอบอารมณ์ที่เปลี่ยนธรรมไม่ไปอยู่กับรูป ก, กับเสียงกับดินกับรถกับสัมผัส ตามปที่จิตของเราสงบอยู่กับคําว่าพุโทโธซึ่งเป็นอารมณ์ธรรมนี้ความสงบก็จะเริ่มเกิดขึ้นเกิดวิตตเกิดวิจารวิตตวิจารนี้เป็นงานนะเป็นงานที่เราตั้งไว้ที่ใจของเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตามหลักท่านเรียกว่าวิตตวิจารทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนเกิดบีติเกิดความสุขอันเกิดขึ้นจากจิตของเรามีอารมณ์เดียวอันนี้เป็นอารามณ์ของความสงบ ในขณะที่จิตของเราอยู่กับอารมณ์นี้ตัญหามันดึงจิตของเราออกไปไม่ได้จิตของเราก็จะเริ่มออกจากกองของกรรมุณทั้งหลายที่พวกนี้คือจิตอยู่กับธรรมเราน้อมมาในอจิตกรรมความเป็นอยู่ของเราก็ได้เราพยายามเจริญธรรมอยู่อย่างนี้ผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าหากเราไม่มาทํานะพุโทโธเราก็ไม่รู้จักเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาปับกับจิตของเราหลย ลอยจิตนึกค right. ิดล่องลอยเลือดเปื B ่อยมันเป็นเรื่องของกิเลสร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสวันคืนร่องไปมีผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดที่เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากแต่ถ้าหากเราอยู่กับอารมณ์ธรรมอารมณ์เมตตากรุณาอารมณ์พุทโธอารมณ์ธรรมอารมณ์สังโฆอยู่มิสติกํากับจดจ่ออยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าอยู่กับอารมณ์ธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทําให้ยิ่งยวด จนมีกําลังเป็นปึกแผ่นแน่นหนามัน่นคงจนสามารถเอาชนะกําลังของกิเลสได้ถ้ า, ากําลังมันไม่มากกว่าเอาชนะกิเลสได้ถ้าครึ่งต่อครึ่งก็ถือว่าต่อสู้กันไปต่อสู้กันมายืดกันไปยืขึ้นมาทําชนะบ้างกิเลสชนะบ้างกิเลสชนะบ้างทำชนะบ้างแต่ถ้าหากทำมากกว่าทำก็จะได้มากกว่าฉันอยา่างทำหกสเเร์เซ็นอย่างเงี้ยกิเลสมัจะน้อยกว่า อันนี้คือเราเทียบเอานะเราเทียบเอาแต่ถ้าเราไม่เจริญทำเนี่ยทำจะเจริญไม่ได้วันคืนลองไปกิเลสเจริญอย่างเดียวกิเลสกรรมไม่บากกิเลสกรรมไม่บาตรผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกีเป็นเรื่องของโลกทั้งหมดถ้าเพื่อความสุขก็แสวงหาความสุขแบบโลกโล ก, โลกได้มาได้ลาบจะเรียกว่าได้ลาบก็ต้องเสื่อมลาบได้ยศได้ยศก็ต้องเสื่อมยศได้สุข มันก็สิทมักระทุกตามมาเดี๋ยวได้เนี่เดี๋ยวได้สารเสรือเดี๋ยวก็ได้เวรทารเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นคู้บเปรับกันทําให้เราหัวระลึกได้ว่าโอ้เรื่องของสิ่งที่ทําเป็นอย่างนี้ท่านว่าถ้าเราสแสรงหายอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของโลกธรรมโลกธรรมมันก็มีมันก็ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องของโลกธรรมเราตั้งใจจะอยู่โดยธรรมอายกินกรรมของเราอยากให้อยู่เป็นธรรม ขอให้เราเอ า, อารมณ์ธรรมมากำกับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธวันคืนลงไปผลวิบากผลหลงเหลือตกค้างเหลืออยู่เป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมธรรมก็จะเริ่มเพิ่มพูนทวีปุ่นขวนพีขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไเรอยหากกําลังธรรมไม่ไม่มีมากกว่ากิเลส จ, จะไม่ยุบย่อไปเจริญมากกว่าจะมีแต่ทุกข์ขณะจิตมีแต่เรื่องของธรรมกิเลสจนหดหาไม่มีที่จะอยู่กับกิเลสในที่สุดมันก็หมด หมดจากกิริยาการที่เลว็เลวๆทั้งหมกิริยาของความโลภ ก, กิริยาของความโกรกกิริยาของราคะตัณหากิริยาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็คืออะไรก็คือกิริยาแห่งความเร็วของใจขเราไม่มีใครสร้างให้ไม่มีใครทําให้ฮ่ามันถืออย่างนั้นมาเป็นปุกับกันภูเรชาติมาแล้วไม่มีใครทําให้แต่พระเจ้ญญาท่านฉลาดท่านรู้วิธีการพุทธเจรลดพุทธเจริญรัจนสิ่งเหล่านี้เลิกแล้วก็หดหายไปทั้งหมด ตัณหามันไม่มีตัวไม่มีตนนะตัณหามันมีแต่กิริยาการภายในใจมันเป็นสัพท์จตธรรมที่ไม่มีตัวตนเวลาสงบระงับดับหายเงียไปหมดหายไปเลยปลิ้นหน้าหายไปเลยในเมื่อสมุทัยคือตัณหามันหายปลิ้นไปหมดไปความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เหมือนอย่างเราตาร เ, รเราเห็นรูปปับเราหยุดขึ้นมาปาบับดีใจ ยึดกัปั๊บเสียใจนี่คือเราไม่ได้เจริญธรรมเราไม่ได้เจริญกรรมฐานถ้าเราเจริญกรรมฐานเห็นสัจธรรมเห็นเห็นสัจธรรมเห็นจริงๆนาเราเจริญลองดูได้ยินสัจธว่าได้ยินจริงๆแต่ต้องมีสติมีสัมมชัญญะมีปัญญามีสมาธิมีความอดความทนมีวิรยิยะกำลังจดจ่ออยู่เห็นสัจารรมเห็นจริงๆตัณหาดับจริงๆเมื่อตัณหามันดับ อุปาทานที่มันจะพายุธมันก็ไม่มีพบที่จะเกิดมันก็ไม่มีชาติที่จะไปเกิดในพบมันไม่มีตัวที่จะไปเกิดเพราะตัวตนมันไม่โปรมันโปลขึ้นมาไม่ได้ตัวสติเป็นตัวที่โร่ทําลายความถือเนื้อถือตัวถือตัวถือตนมันหมดมันหายไปหมดโปลขึ้นมาไม่ได้เราพยายามขัดสีอยู่ตรงนี้ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้แวบเดียวเป็นประกายแวบเดียว จะเป็นประกายที่จุดทําให้เราสว่างสวายไปหมดทั้งจิตทั้งดวงของเราเนี่ยดูไปตรงไหนชลุปลุกป ร, กปรกไปหมดกับกิริยาอาการของธรรมะกับกิเลสที่มันเกี่ยวข้องกันมันพันกันในหัวใจของเราหรือไม่เราต้องการจะเจริญอารมณ์สมถะเหมือนอย่างที่เรายืนเดินนั่งนอนท่านให้เราท่านให้เราเจริญสติเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราจะบริกรรมพุโทโธก็ตาม ท่านให้เรากำกับอยู่กับอารมณ์ยืมกายที่ท่นเรีกว่าเาม ก, กับกายตามดูกายตามพิจารณากายพุทธเจ้าท่านทรงตั้งให้ว่ามหาสติมหาสติมหาสตรปฐานไ ป, ไ, ปไล่ดกูกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ที่ตัณหามันาพาดผิงเข้ามามันาพาดพิงมาที่กายมีสติตามรู้กายตัณหาดับรู้เห็นกายตัณหาไม่เกิด ตามรูปเวทนาในขณะที่ตามรู้เวทนาสติของเราแก่กล้ามันคงมีสมาธิดีเวทนาสัตว์จะว่าเวทนาจริงๆลองกำหนดจดจอดูไม่งั้นเราจะนั่งได้ทั้งคืนครึ่งคืนทั้งคืนสามารถนั่งได้นั่งได้เพราะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้โอ้ยเราเจ็บปอ้ยเราปวดลุกพลิกหรือบรรลงังทันทีไปไม่ถึงไหนเราไปไม่รอดแต่ถ้าหากเรานั่งจนไม่มีตัวไม่มีตน หมดความยึดหมดความถือว่ามีว่าตัวว่าตนไม่รู้จะเอาอะไรมาทุกตัณหามันตามไปเล่นงานไม่ได้เพราะความเจริญสติสติสัมพิชัญญาปัญญาของเราแน่นหนามันคงมันตามไปเกาะที่จิตคิดพันอยู่ในจิตก็หมดจอไปที่จิตจอไปที่ธรรมเราจะเจริญกำกับกับอารมณ์ลำใดเราหนึ่งยังใดยังหนึ่งในใจของเราเนี่ยมันจะถึงกันหมด อารมณ์ทั้งหลายที่ตัณหามันจะพุ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีมากมายมหาศาล ร, รูพรุนเต็ม ไ, ไปหมดเลยยิ่งกว่าไอ้รูแป้นขนมจีนที่ก็รีบเป็นรูเป็นรู น, รนั่นแหละมีมากมายมหาศาลยิ่งกว่านั้นอีกตัณหาที่มันจะแทรกเข้าไปในจิตของเราแต่มันอยู่มัด ก, กับสิ่งเดียวคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมความอดความทนความเพียพรขับประก อ, ขอเข้าไปเราพยายามขัดสีอยู่ตรงนี้เองต้องการให้สงบ ก, ก็สงบไปพราอมีเรียกมีแรง ม, มีกําลังมางชาง เรามาตามรู้มาตามพิจารณาในแง่ของการกําหนดจดจ่อด้วยสติด้วยปัญญาการที่เรากําหนดจดจ่อพิจารณาอย่างนี้ลงตาท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิท่านลองไปทำลองดูปัญญาอบรมสมาธิมันสามารถดึงจิตของเราอยู่ไหมมันสามารถสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเราได้ไหมไอ้คําว่าตัณหาในหัวใจมันเกิดไม่ได้ในขณะนี้ในในที่พูดนี้หมายความว่าตัณหาใหม่ ปัญหาก่ามันโผ่มาแล้วไอ้ตัญหาใหม่ที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นมันมีนี่แหล ะ, ะเวทนาเป็นปัจจัยใหเกิดตัญหาเป็นปัจจัยปัจจัยส่วนนี้เระเอาตัวสติทำตัวสัมมิจฉัญยธรรมตัวสมาธิทำตัววิปัสสนาทำมันจเจอเลยโ อ, โอ้อยู่ตรงนี้ตัญหาเกิดไม่ได้จริงๆเรากำลังจดจ่อเราเกิดไม่ได้ในขณะปัจจุบัน ซึ่งเป็นการที่เราทดสอบเราดูโอ้มันเกิดไม่ได้จริงๆริงในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทำจนเหนียวเนี่ย ม, ม, มันมีกําลังวังชามากๆสงบระงับได้ระยะยาวขนาดนั้นขนาดนั้นขนานั้นรู้เหตุรู้ผลเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่ว ง, วงสามารถทําได้สงบระงับได้ปัญญาอบรองสมาธกิก็สงบได้อย่าลืมว่าความสงบคืออะไรสงบใจเราสงบใจเราสงบเพราะตัณหามันก็ไปแทรกใจเราไม่ได้ เพราะตัณหามันมีกำลังไม่พอมีกำลังไม่เท่ากับกำลังสติ ก, กำลังปัญญากำลังไม่พอเท่ากับผู้รู้ของเราผู้รู้เรามีสติมีปัญญามีกำลังมากกว่าตัณหาไม่มีช่องที่จะแทรกเข้าไปอย่าลืมว่าขณะจิตของเรานะั้นจะชัดเจนโร่ขณะละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นโดยเหนนะตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสามารถพิจารณาธรรม ร, ăm, ăm, ร, รู้ทำเห็นทำมันลุกทมได้เอาอารมณ์รำมาโรแทนอารมณ์ขอเกลื่ันดับไปหมดเราทดสอบได้เลยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พูดลอยๆเอาไปกำลับหยดๆทำทดสอบดูได้เลยขณะจิตของเราที่สว่างชัดเด่นโ RO ที่สุดได้ขณะละหนึ่งอารมณ์เช่นอย่างเราโร o อ ย, ย, ยู่กับพุทโธพุทโธก็โดนยางมือแทรกไม่ได้อออไลองทําดูสิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยังมือแทรกไม่ได้ ทำไป น, น, นานๆจนอิ่มถึงจะไม่บริกรรมพุโทโธใจก็สงบแน่นั่ น, า น, นจากนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเอบิบอิ่มและเอียดลึกไปเรื่อยๆถ้าเราพูดถึงความสงบทีนี้ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญสติอารมณ์ที่สงบนี่แหละเราพิจารณาให้เกิดอารมณ์ของปัญญาก็ได้อย่ายาพุโทโธพุโทโธเราก็ย้อนวัที่จิตพุโทโธพุโทโธย้อนวัที่จิต พุทโธพุทระยอ้อนมาลที่จิตในขณะเดียวกันมันเป็นการ ร, บระบายประวัติตั้นหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ลองทำลองดูลองขยับขยายลองสับลองเปลี่ยนลองดูเพราะอุบายวิธีหลายคนหลายจิตหลายนิสัยผลรายได้ที่จะพึงเกิดขึ้นก็จะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างคล้ายๆกันบ้างเหมือนอย่างที่เราฟังจากครูบาอาจารย์ยท่านบอกท่านสอนมาไม่เป็นเหมือนท่านแต่ก็ใก ล, ใกล้ท่านนั่นแหละ หาเราใช้อุบายใช้วิธีที่เราเรียกแบบมาจากท่านเพราะอุบายวิธีอันนี้เป็นแบบยางอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องมีแบบยางใจของเราเราต้องการให้ใจสงบถ้าหากเราไม่มีงานให้ทําเขาจะสงบไม่ได้เราต้องการให้ใจสงบเราจะต้องมีอารมณ์ให้เขากอดกับเราจะต้องมีงานให้เขาทํางานทํำคือเอาสติมากำกับผู้รู้ของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวรู้ มันป e ิดประตูปิดช่องอะไรอย่างอื่นทั้งหมดตัณหาเข้าไปแทรกไม่ได้เลยแต่มันละเอียดนะในขณะที่อารมณ์สติธรรมสัมผชัญยะธรรมปัญญาเราเจริญอยู่ในนั้นกิเลสตัณหามือนกัแทรกเข้ามาข้างๆนี่แหละเพลอไม่ได้สวมรอยปั๊บเพลอดไม่ได้สวมรอยสวมรอยปั๊บเพราะตัณหามันก็เกิดที่ใจดวงเดียวนี้กิเลสมันก็เกิดจับใจดวงเดียวนี้ธรรมก็เกิดจากใจดวงเดียวนี้ ถ้าหากใจของเราแพร่พราวไปด้วยอุบ า, า, ายไปด้วยวิธีกิเลสมันก็แพร่พราวไปด้วยกุบายไปด้วยวิธีก็เมันเช่นเดียวกันเพราะมันเกิดจากใจดวงนี้เราพิจารณาดูให้ดีกันแล้วกันไม่ใช่ว่าเรายิ่งมีทําแพร่พราวไปเท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งงอยิ่งงอยิ่งงกิเลสมันก็ฉลาเพราะเวลามันจะเกิดมามันจะเกิดมันก็จะเกิดที่จิตของเราก็ความเลวของใจของเราเองถ้าเราจะวให้ตรงตรงจังๆไม่มีใครเอา ของเร็วๆอย่างนั้นมาเชื่อบมาฉาบทาในดวงใจในผู้รู้ของเราแต่มันหากเป็นวัตถุดิบที่มันมีประจอมมาดั่งเดือเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติมาล้างจนกลบอุบายมายาที่เร็วๆของใจนั้นหายพยศถ้าเราจะเทียบกับเมื่อเราฝึกควายฝึกบัวเนี่ยจนหายพยศมันก็จะเข้าเอกได้เข้าไถได้เข้าอะไรต่ออะไรได้หมดใจของเราถ้จะเทียบไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับควายอะไร เมื่อก่อนมึงดื้อด้านอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเคยดื้อด้านมาฝึกไปฝึกไปฝึกไปเจ้าของฝึกผู้ฝึกก็คือสติธรรมสัมผัสญาตธรรมฝึกจิตดวงนี้แหละให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวนั้นาดสงบเงียบแล้วก็มอดหายไปไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่ไม่มีซากให้เห็นหายไปหมดดูด้วยความโกรธมึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรานะไม่เชื่อเราก็ลบทดสอบลองตรวสอบลองดูใครที่ชอบเจริญกรรมฐาน วลาความโกรธมันดิ้นดัาวดในหัวใจของเราจ่อเอาสติเอาสัมผัจันทรเอาสมาธิของเราจ่อลงไปดูมันหลบหน้าหายไปเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความรู้ที่มันไปแทรกจนอารมณ์เหล่านั้นหายไปหมดมันแทนที่กันเวลามันมาแสดงมาแสดงที่ใจดวงเดียวเราจะว่าเป็นอัน น, นี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากผู้รู้ดวงเดียว ผู้รู้ดวงเดียวแสดงโอกนี้ให้ปรากฏกับเราเพราะฉะนั้นผู้รู้ดวงเดียวดวงนี้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้อุบายวิธีที่จะทำให้เกิดความรู้ความฉลาดจนสามารถกลายเป็นสัมมาสัมพุทธมรรยาพรมจิตญาของเราก็สามารถรู้ได้เมื่อรู้ได้แล้วสามารถไปสัมผัสสัมพันธ์ได้ตามแต่ผู้รู้เราจะ วนไปสัมผัสสัพพานอะไรรับรู้รับทราบรับเข้าใจได้หมดนอกจากนั้นก็บุญญาบารมีต่งงางๆเพื่อจะมาสอนสาโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราความรู้ของเราไม่ใช่ธรรมดาแต่แบสัพพัญญุทธยานฟังหลุที่สัพพัญญุทธิยานเอความรู้มากมายมห า, าศาลไม่ใช่เฉพาะมีส่วนอดีตส่วนปัจจุบันส่วนอนาคตมีสารพัดเราไปดูเถอะบารมีของพระพุทธเจ้าสัพพันอยู่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง จะ ร, รู้แล้วก็แล้วรู้แล้วก็แล้วรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยหากจาเป็นก็เอามาใช้เกิดประโยชน์เ่เช่นเช่นอะไรล่ะหากจะเป็นเอามาใช้เกิดประโยชน์เหมือนอย่างพระจุลบันโทนี้ท่องคาถาสองแถวตลอดภรษาจำไม่ได้พี่ชายไม่ให้ไปในที่นิมนต์เสียใจคือพี่ชายคือพระมหาปรรโทท่านเป็นพัทุเทพ เขานีมนพระเจ้าพระสงฆ์ไปไปไปฉันที่บ้านหมอชีวกมีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุกเป็นประธานนีมนไปหมดยกเว้นน้องชายคนเดียวไม่ไม่นีมนไม่บอกน้องชายเสียใจมากพอภาษาแล้วเขานิมนต์ไปฉันน้องชายเสียใจในขณะที่หมู่เขาเดินทางไปบ้านหมอชีวกยุฬาบรรทงออกมาหลังวัดจะไปสึก แต่อยู่ในพระญาณของพระศิษย์ย่าทุกเรียระองคไปขวางไว้เธอจะไปไหนไปสึกประยา้าทําไมอ่ะอได้รับความอับอายพี่ชายไ ม, ไม่ได้มนให้ไปในที่นิมนต์เหมือนกับมึงพี่ชายตัดจันดางมาเด็กมานี้มานี้มานี้นเธอไม่ได้บวชที่พี่ชายเธอเธอบวชอุทิศเรามาเนี้มานี้มาให้นั่งบริกรรมใน ร, นระมิดผ้าขามาขาวผ่องให้บริกรรม นี่เราพูดถึงปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้านะยงตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันจุลบรรทบทเรามีผ้าขาวมาให้บริกรรมพระโชหนังพระโชหนังแล้วก็ลูกไปลูกไปบริกรรมอยู่นั้นแหละนั่งอยู่นี้บริกรรมอยู่นี้นะอย่าไปไหนจุฬบันทกท่านั่งบริกรรมอยู่นั้นพระโชหนังพระโชหนังผ้าขาวผ่องมาสัมผัสกับมือมืออันหนึ่งก็มืออันหนึ่งก็รองอไว้มืออันหนึ่งก็ ลูกคลําไปเรื่อยลูกไปลูกไปลูกไปลูบไปไอความขาวของของผ้ามันเริ่มมองลงมองลงมองลงเกิดปัญญาเอ้ยตัวของหลังศประได้ปฏิกูลสัญญาแน่ไหมอัวใบวิธีของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ย้อนอดีตนะย้อนอดีตพ ร, ระจุลบันธก์นะสมัยหนึ่งชาติหนึ่งท่านเคยเป็นกษัตริย์ทีนี้ไปนั่งช้างสองช้างเลียบเมืองเหงื่อแตกออกมาเอา ขายหน้ามันเช็ดพระพักเนี่ยเช็ดมาตัวเราในสกปรกนะมีแต่เหงือ่อมีติคิบใครดำเปื้อนอยู่เนี่นตัวของเราในสกปรกได้ปฏิกูลสัญญาตั้งแต่ภพนั้นนะย้อกมาใสา่ภพนี้ด้วยความสามารถของทูตเจา้าพระจุลบรรทกได้ปฏิกูลสัญญาเนรมิตให้พิจารณาเป็นวิปัสนาพระจุลบรรทมบรรลุธรรมในขณะนั้นเองนะในขณะนั้นเอง พร้อมโดวยวิชาวิชาพลิกจิตนะพี่ชายสอนตลอดทั้งภาษาความจําแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่มีจําไม่ได้จนพี่ชายได้ทรมานในที่สุดเพอะได้บรรลุธรรมด้วยวิชาพลิกจิตทางบ้านหมอชีวกกําลังจะทูลผุ้ดเจ้าให้ให้ให้ให้ให้ใหอนบอกว่ายังมีพระอยู่พระมายังไม่หมดให้ไปตามพระเขาไปตามมีพระหนึ่งองค์ยังม า, มาไม่หมดพอไปพระหนึ่งองค์ที่ไหน เนระเบจหนึ่งก็ไเป็นันๆองค์แล้วะทั้งกว่าทั้งเดินจงกรมทั้งนาสมาธิทั้งนู่นทนี่เต็มบัดโอมันไม่ใช่องค์เต็มไปหมดน่ะกลับมาอีกไปไปเรียกจุลปันทกไปก็ไปเรียกจุลปันทกก็จุลปันทกทั้งหมดคนนั้นก็จะจุลปันทกคนนี้คือจุลันทกกลับมาอีกไปจับมือใครออกชื่อจุลันทกไปจับมือไปรอบที่สามถึงได้ได้บจุลปันกไมฉันพอจุลปันทุก เพนั้นจุลมารพคนนี้จุลบรรไปจับมือเพราะจับมือนอกนั้นก็หายหมดแน่ฤทธิ์เหล่านั้นน่ะใครทำให้เห็บุญญาบา ร, รมีของใครของเราของก่ถ้ามีเวลาเกิดขึ้นมีขึ้นมันก็มีระแสดงนี่คือพระปรีชาสามารถของพระพุทธ้าเรารู้แต่พระปรีชาสามารถขงขระองไปทรมานชดินอูรูว้วิรัป่นนะเห็น ไ, ไหมอุ้รู้วรักษาป่านี่ยยิงพยามในตัวเองแล้วเกิน เป็นเจ้าสํานักใหญ่มีบริษัทบริวัร500น้องชายมีบริวารอีก200น้องชายคนสุดท้องอีกสองคนกลาง300คนสุดท้าย200เราเป็นหนึ่งพันไปตั้งอาสมอยู่ที่แม่น้ําแม่น้ําขยาบูชาไฟพวกนี้พุทธเจ้ไปคอยอยู่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่นู้นเราเห็นอยู่เราเห็นมีนุ้นเครื่อนไฟเห็นว่างๆอยู่นะคอยได้อยู่เถอโอ้ยเพราะสนักเขดำอยู่ไม่ได้ดอก พญานาคมีฤทธิ์มากมีพิษมากอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรดอกเขาไม่ทําอะไรเราดอกขอให้เธออนุญาตเธอเธ อ, อแล้วแต่ท่านเธอองนั้นพระพุทธเจ้าไปอยู่ทรมานพญานาค <c oughs> จับใส่บาตรน่นนะเห็นไหมโอ้พระสมมาสัมพุทมีฤทธิ์มากมีอาณาจักมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอาหารหันต์แต่ใจเขายังไม่อ่อน น, นะทรมานไปเรื่อยไปเรื่อยใจเขาอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อย ถ้าใจยังไม่อ่อนพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมพระพระองค์ดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ตอนหลังมาตอนที่จะจะปราบช ด, ดินได้นะวันนั้นฝนตกหนักน้ําท่วมเจิ่ ง, งน้องเต็มไปหมดเลยน้ําท่วมทีนี้ก็มาดําเรียกลูกน้องว่ไปดูไปดูพระสมณโคด ม, มไปน้ําพัดไปละเรือน่ยพ่ากันแจวเรือไปน้ําท่วมขนาดไหนแจวเรือไปดูพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าขราก็เดินย่างกลมแล้วที่ฝนค ล, ลุ้งนั่นน่ะ น้ำมันกลายเป็นกำแพงกั้นน้ำใช่เองดูสิผิดฤทธิม์มากมีอานว่ามากตอนนี้อ่อนยัวบลงหมดเต็มร้อยเลยนะตอนนี้พุตรเจ้าเห็นใจเขาอ่อนยั่วเต็มร้อยผก็ใส่เลยกะตปะเธอสําคัญแต่ว่าจะขอเป็นพระอรหันแท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเธอก็ยังไม่รู้จักโอ้หัวเข่าอ่อนย وب, ั่วกราบปลดปลดขอบวดแน่ร้อยบริขารไปคนกลางทราบก็ขึ้นมาะ ลรยพอดีขารไปคนจุดท้องทราบเพราะตั้งอยู่ริมแน้ําได้น้ำมันไหลไปเนี่ยคนมาแล้ววัวทั้งหมดหลังจากวัวทั้ง 1, หนึ่พัองแล้วน่ยพระพุทธเจ้าเลยพาไปแสดงที่ขยาศีรษะครับขบักขยาศีรษะคือต้อนน้ําขยาเราไปอินเดียเราไม่เคยไปหรอกที่ต้นน้ําขยาอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เนี่ยคราวที่แลอาจารย์กีราวาท่านไปท่านบอกว่าท่านไปที่ต้นน้ําขยาอยู่ตรงไหนเราไม่เคยไปแต่ไม่มีอะไรมากหรอก นี่เราพูดพูดถึงอินเดียนี่เราพูดถึงพระปีชาสามารถของพระพุติเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงรู้เข้าใจทลุ ป, ปรุโ ป, ปรง่งจึงรู้จักวิธีการที่จะสงบนะครับชัดล้างผู้รู้ของพระองค์จนบริสุทธิ์เหลือแต่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวองคชาล้างพระบริสุทธิ์มา ก, ก่อนเหลือแต่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวท่านเรียกว่าสังขารนะ เรียว่าวิสังขารวิสังขารและในวิสังขารนั้นจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาพระจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเราไม่เหมือนกันจิตของพวกเรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเรามีกิเลสตัณหาปนเพื่อนอยู่ด้วยพระองค์พระองชะล้างไปจนสะอาดหมดจดไม่มีกองสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันเรียกว่ากองสังขาร วัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดรวมทั้งตัวของเรากายของเราใจของเราอยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารกองสังขารทั้งนั้นรวมไปถึงหมดแดนโลกกระถากี่โลกรกระถางก็ตามด้วยเป็นกองสังขารทั้งนั้นชี้ไปตรงไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไปโผล่ที่นั่นทั้งหมดคืออนิจัญทุกขังอนัตตามีสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารคือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้า เป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดไม่เป็นกองสังขารและไม่มีอนิจจังทุกขังนักตาและไม่มีภพม่ยังไปจะต้องไปเกิดในภพไม่มีภพเมื่อไม่มีภพแล้วก็ไม่มีการเวลาที่จะจํากัดเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังลุงตาท่านใช้คําว่าอนันตการนาตการจากนี้ไปแล้วเราจะไม่มาเกิดตลอดอนันตการคําว่าอนันตการก็คือไม่มีการไม่มีเวลาจิต ผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่ประกอบไปด้วยการไปด้วยเวลาเรามารู้์พบภาติที่พวกเราอยู่นั้นน่ะมันประกอบไปด้วยการด้วยเวลาทางนั้นเช่น อ, อย่างพบชาติของยุงเจวันเนี้ยพบชาติของจิงจกโกแก่พบชาติของสุนัขพบชาติของคนเราแล้วก็พบชาติของเทวดาชาติ น, นั้นชาติ น, นั้นแต่ละพบแต่ละชาตินี่อายุของเขาจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน มือนอย่างพวกเราเนี่ยร้อยปีของพวเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาบนสวรรค์ดูสิมันต่างกันมากขนาดไหนจะไปเกิดในภพไหนก็ตามนั้นแหละคือภพเมื่อภพจํากัดแล้วมันจะต้องมีอายุจํากัก ด, าดอุทกกระดาบทอารากรดาบทท่านดับชี้วัยชนไปแล้วไปเกิดโน้น อ, อรุปพรมอรุปรพอายุยืดยาวยืนยาวมาก เมื่อมีพบจํากัดมันก็ต้องมีอายุจํากัดอยู่จนหมดอายุไขตกตกุกลงใหม่ละเทวดาชั้นไหนชั้นไหนต ก, ตกตกลงมาเหมือนกันหมดเพราะในโอกาสที่ไปอยู่นั้นอ่ะมันเป็นการไปเสวยการมมีระดูความสามารถของพระพุทธเจ้าชัล้างจนเหลือนหนึ่งเดียวแยกสังขารกิเลสกับผู้รู้ออกจากผู้รู้ท่านจนหมดจดสะอาดหมดจดงานการที่พวกเราทําอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราจะพูดสุขสุขคือ เราพยายามแยกสิ่งที่ส่งผลที่สุดในหัวใจของเราออกสิ่งนี้ก็คือปิกิอิทธิ์ที่มันตอบโต้ออกมาคือความโลภความโกรธความปัญญาลิสียาราคะตัณหานี่แหละสิ่งที่ผนผลเบื่อนมาแล้วก็วิธีการที่เราจะชัดเจะสิ่งเหล่านี้พุทธิยถาทัตประสงสอนเริ่มต้นตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาที่เรียกว่าอัยยมัทโนปเพราะทางนี้เป็นทาง เดินไปสู่ผลทางอันเดียวคือมรรคคือผลคือนิพพานคือนิพพานพระองค์ทรงสแสดงธรรมการแฝงทรงตําหนิผลทางที่ทํามาผิดผิดการบูส卡ลิกาเนโยกอกกิลามาถานเนโยพวกเราทั้งหลายที่เราอยู่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเราก็จะเกี่ยวข้องถึกับเรื่องของกามก็คือกามบูส卡尔ิกาเนโยประกอบตนปัวพันเกี่ยวกับเรื่องกามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจถือศีลรักษาศีลประพธธรฤติตามปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดอนิสงส์ที่ละเอียดละเอยิ่งใหญ่จะต้องละต้องวางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญสีสเจริญกรรมมีความก้าวหน้านั้นจิตจะต้องสงบเพราะจิตสงบก็คือจิตออกจากการมจิตห่างจากกรรมจิตห่างจากการม ก, ก, ก็คือผู้ฝึกหัดนี่แหละถึงจะรู้เรื่องว่าจิตมันห่างจากการมถ้าเราไม่ไม่ฝึหกหัดดัดแปลงเราไม่รู้จักความเป็นอยู่ของเราคือ ประเภทการมาสุภะฎิกาพุทธโยกนั้นเองจากนั้นแล้วมีการไปทําไปทรมานผิดเหมือนอย่างพระโอษฐธรรมอธตการมถานโยคประกอบตนให้เน็ดเหนื่อยเปล่าไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรทรมานกายแต่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเราฟังดูและเหตุผลมันเชื่อมกันไม่ติดต้องการธรรมะที่ใจแต่ทรมานกายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสมัยพระองค์ทรง ท, ท, ท, ท, ทดลองนะอดพระกาหาน ไม่ใช่ท่านอดอาหารและภาวนาเหมือนอย่าพวกเรานะพวกเราเราอดอาหารเราตั้งใจภาวนาเดินจงนลมพุโทโธพุโทโธธรรมโอสงพิจารณาอนนี้อย่างสุภาน้ำตา้ น, ารนาานะเราไม่ใช่โอดเฉยๆเราอดทํางานนะแต่ยุคนั้นยุคอัตตกิรมมานุโยคเขากอดเพื่อให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจจริงๆแล้วธรรมะที่ไหนจะเกิดขึ้นได้คือเหตุกับผลมันเชื่อมกันไม่ติดเรามาดูต้นตอของอัตตกิรมมัทานุโยคกันเขาตั้งขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้ก็เป็นหนทางเป็นแนวทางปฏิบัติ พรองค์จึงทรงแสดงโอ้อันนี้ยานเกินไปโอ้อันนี้ตึงเกินไปนะที่ว่าพระอินไปดิษพินนะ่ะสามสายนะั่นอันนี้เสียงพอดีพอดีเลยมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือศสียสมาธิปัญญาเราตั้งใจปฏิบัติครั้เคร่งขนาดไหนก็ตามท่านไม่ถือว่าเคร่งจนเกินไปทํามเอาเป็นเอาตายดูเด็กรูบายยัท่างนั่งตายเนี่ยท่านไม่ถือว่าเคร่งเกินไปถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้อย่างนี้ ถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็เพราะเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้น ะ, ะแต่ถ้าเป็นการมาสังขา ร, ารในโยกยาอันเกินไปอยู่ไม่ได้เด็ดท่านเทียบไปถึงใจบุตรชนเราอยู่บ้านอยู่เรือนเหมือนไม้สดชุมด่มใบห ย, ยาเนี่ยต้องการเอาไปสีเกิดไฟเกิดไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็บริโภคกามอีกเอาไปแช่ในน้ําอีกก็ยิ่งเปียกเข้าไปอีกเอาอะไรไปทําไฟเกิดไฟขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีใจออกจากกามคือใจสงบ เร า, าเห็นว่าพระติจ่าท่าทรงสแสดงทานคถาศีลคถากับอายักานั่ทานคถาสแสดงเรื่องถาศีลคถาสแสดงเรื่องศีลแล้วก็พระองค์ทรงแสดงเรื่องสวรรค์สักขะคถาสวรรค์ก็คือที่บริโภคการมใครไปเกิดบนสวรรค์หกชั้ น, นโอ้ยบนนั้นเองกามาคุณของเขาเนี่เต็มแปร่อยู่บนนั้นน่ะมีมวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างอนกุกติทิปอันนี้กรทิปทิปไปหมด อันในสองจากการตั้งใจศีลรักษาศีลอย่างยิ่งตั้งใจให้ทานอย่างยิ่งพุทธเจ้าพระองค์กลัวผู้เราจะจิบอยู่ในนั้นพระองค์จึงทรงสแสดงโทษของสวรรค์นะ <Yeah. S 1> คำว่าโทษของสวรรค์คือโทษของกามโทษของกามเราดูไม่ยากดอกเราดูความเป็นอยู่ของเราโทษของกามคืออะไรค้อนกายนี่แหละคือก้อนกามเราทุกอะไรกับมนันบ้างดูเด๊ตั้งแต่หลับตื่นลืมตามาจน ก, กว่าจะเข้านอน เราได้รับความทุกข์อะไรจากมันมานอกจากนั้นก็าเจ็บไข้ได้ปว่วยอีกสักหนาตัวเราเจ็บไข้ได้ปว่วยอีกพ่อแม่เจ็บไข้ได้ปว่วยอีกบางคนเจ็บไข้ได้ปว่วยด้วยไม่มีอะไรอยู่อะไรกินอีกด้วยไปทํางานรับจ้างทั้งๆ ท, ที่เจ็บปว่วยง้อเ ง, ง, ง, งื่อนเอยู่นั่นนะแหละเราคิดดูดิทุกข์ขนาดไหนนี่คือการทุกข์ของกาลโทษของสวงรรค์คือทุกข์ของกาลคือโทษของกาลฉะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องอานนี้สรของการออกจากกาศเนก คำมานิสังสักถานี่คำมาันคือการออกการออกออกจากอะไรออกจากกามออกยังไงได้ต้องผานาใใจสงบเราอยู่บ้านอยู่ช่องเราเนี่แหละเรามีลูกมีอะไรอยู่เต็มบ้านนั่นแหละถ้าาเราผาวนาใจเราสงบคือมันสงบจากอารมการสงบเรื่อยๆสงบเนืองๆสงบบ่อยๆคือใจออกจากกามตราบใดที่ใจยังยังไม่ออกจากกามเนี่ย จะไปพิจารณาอย่างอื่นให้ก้าวหน้าเป็นไปได้ยากวากวอกแหวมแหวมัล้วหายไปฟกฟกคลุกคัุแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นพื้นเป็นฐานเราพูดถึงตรงนี้เราเห็นวันสําคัญของความสงบความสงบเราทิ้งไม่ได้นะผู้ที่มีใจสงบเหมือนกับผู้ที่มีใจออกจากการถ้าเราจะเทียบเหมือนกับไม้แห้งไม้แห้งด้วยมันไม่สดชุ่มเลยยางด้วยแล้วมันไม่ได้แช่อยู่ในน้าด้วย บุรุษต้องการเอาไม้นั้นไปเสียเกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงอาศัยเรี่ยวแรงขัดสีไม่ยอมหยุดจนอาการของของไฟแสดงปรากฏมีควันปรากฏมีฐา น, น้ำดำมีฐานแดงๆปรากฏอย่างนั้นก็ขยับไม่หยุดจนเปลวไฟฟุขึ้นมาได้ไฟใช้เราฟังได้ว่าครูบาอาจาร ย, ย์ท่านเด่นตายเด่นตายท่านเด่นตายตรงนี้ล เมือน่อเราถูไม้เกิดไฟนี่ยกายข้าใหญ่ติดแล้วกายเกิดควันแล้ ว, เ ก, ว, ลวเกิดขมเอาดำดำแล้วเกิดทานเล็กเลแล้วยาไม่ยอมหยุดลองหยุดมันก็เย็นไปแล้วลองลองหยุดมันก็เย็นอีกแล้วถึงแม้เราจะมาเกิดมรรคถูกต้องอยุญาตมีมมองค์แปด ก, ก็ตามถ้าเราหย่อนยานเราทําให้ต่อเนื่องผลรายได้มันก็มีน้อยแต่มันสะสมก็มันยุบแต่มันไปได้ช้ามันไปได้ยากมันสะสมได้น้อยหรือ ทำไปทิ้งไปทำไปทิ้งไปสันหนึ่งกับอคุศลมาทับหายไปแล้วท่านยังให้ทําอย่างต่อเนื่องอจนได้ไฟใช้คำว่าไฟในที่นี้หมายความว่าเปลวไฟถ้าเราจะเทียบกันเหมือนกับปัญญาหรือปัญญายานหรือวิปัสนาวิปัสนาญาณมันเป็นประจัจจพย า, ยานตัดสินชัดเจนแน่วแน่ว่า แ, แน่นอนและอย่างนี้ปุง้งกิริย า, าการภายในใจของเราที่เคยเป็นนั้นไมันก็หดหา หายไปกลายเป็นคนใหม่ตื่นขึ้นมาอันไนี่ยังหลงเหลืออยู่ก็ตามไล่ต้อนกันไปกันหมดในที่สุดนี่เท่าที่ภรวนามาก็น่าจะพอสมควรเวลานะนี่นานมากแลนะ้วตั้งชั่วโมงครึ่งนะมันไม่ใช่ธรรมดานล้วนี่ตั้ชั่วโมงครึ่งนะคงาะงดขิดหน้ารูมกันนะถ้าหากไม่ตั้งใจภาวนาอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนตอนต้นนี่งดขิตแน่แน่ ยาวล้วเกินนั่นจบล้เกินเมื่อไรจะจบะทั้งปวดทั้งหิวหิวกแฟ ร, ระวังให้ดีก็แล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นใครตั้งใจภาวนา ม, มาตั้งแต่ทีแรกไม่เสียเปลี่ยงด้วยเนื้อหาของอัดของทมก็จะเจีมแจ้งในใจมากกว่าด้วยแต่บางคนมีนิสัยเกาะติดเนื้อหาของอัดของทมคำพูดจากคำพูดนี่แหละมันจะเป็นอัดถักสาระ อัตถสาระมันจะกอบหัวใจของใครมันจะมีอัตถะสาระไม่เหมือนกันอ่เหมือนผู้ศรัทธาทันเทศออกเดียร์อะเนีพอเทศจบปั๊บบางคนตกระดับางคนตั้งอยู่ในในไตรสาระคมบางคนได้พระโสดาบางคนได้พระสกิตาคาบางคนได้พระอนาคาบางคนได้เป็นพระอรหันต์เพราะในใจมันใคร้เขวรมันละเอียดออกด้วยสติด้วยปัญญาต่างกัน แต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถไปต่อยอดให้ได้ทั้งหมดจะยอดสูงยอดต่ํายอดขนาดไหนต่อให้ได้ทั้งหมดคือเหมือนอย่างเทศการแรกให้ยศศักด์ฟังไหมลงไตยยศธรําพอเทศให้พ่อเขายศศักด์ฟังยศศักดินั่งฟังด้วยเทศอนุปูพิคาถากันซ้ํากันอะไรแต่ได้ฟังรอบที่สองใจมันสูงขึ้นไปแล้วพัฒนาไปจนสุดพ่อได้เป็นประโสดาบันตัวเองได้เป็นพระอรหันต์อยู่พระยศศักด์ ให้เราคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันขอให้ตั้งหัวตั้งใจทำเราบเขาชะลาเราโก่เราเรียนน้อยเราศึกษาน้อยเราไม่รู้เรามากไม่ใจ่หาใครมียอดขนาดไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไปเพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มใ ห, มให้ขอให้มีความสนใจตรวจ่อเริ่มใ ส, ส่ศรถถัทธาตั้งหัวตั้งใจถือตามประพตติามปฏิบัติตามธรรมะของพระพุท ธ, ท ธ, รรทธเจ้าเป็นสัจธรรมพวกเราศึกษาให้ละเอียดลึกเข้าไปมากน้อยเท่าไหร่ เป็นเครื่องมาช่วยผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์ในหัวใจของเราจนสามารถลากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพุทธเจ้าเมือนอย่างระสงฆ์สาวกฟ้าระยะสาวกพวกเราพ้นทุกข์พนโทษพ้นเวรพน้พนภัยในวัฏสงสารทั้งหมดนี้ที่ว่าเป็นการพูดเพื่อเชื่อมประสานเพื่อจันทร์ลงเพื่อความเจริญศรัทธาของท่านทั้งหลาย ไปจับตัวมาจับวิธีแกล็บรับได้บ้างก็ไปถือตามประพุทธตามปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเน้นว่าขอเน้นว่าท่านจะอยู่ด้วยธรรมหรือท่านจะอยู่ด้วยกิเลสถ้าท่านอยู่ด้วยกิเลสกิเลสก็จะพัฒนาภาิตของเราพัฒนาไปแต่ถ้าท่านอยู่ด้วยธรรมท่านจะต้องนึกถึงศีลนึกถึงธรรมนึกถึงอะไรไมาได้นึกถึงพุทโธพุโทโธพุทพธมิสติกําำนดจอจยออยู่หากมันเพิ่มผลผลิตเพิ่มภูณทวีภูนขึ้นไปได้เอง ชีวิตพบชาติของเราก็จะไม่ตกตา่าอย่างน้อยๆเวลาใกล้ดับชี่บ่ยชนไปเราก็มีที่พึ่งเรามีที่ระลึกอขอให้พวกเราทั้งหลายทั้งหัทั้งใจมาประกอบกองการกุศลนี้ให้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างนี้มีการรวบรวมจะถูกปัจจัยก็จำทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยด้วยดีด้ว ย, วยพวกเราก็ช่วยดูกันแหละมนุษย์พระเจ้าประส์ท่านอยู่ยังไงท่านมีความจําเป็นยังไงใครพอจะช่วยอะไรได้บ้างเราทำ เพราะอันนี้คือบุญส่วนหนึ่งมันไม่ไปไหนมันอยู่หลงเหลืออยู่ในภายชนะคือใจอเราเ่เองทั้งหมดที่เราสาดดิ้นรนผลขวายจัดสร้างอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้ความสามาหถวิริยะความภาคความเพียรของเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีผลมีอนิสงผลอ น, นิสงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละจะตามบังนืองวดใช้พรในใทันทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเอวาน อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัตสมิทชตุสเพปูเรนตรุสังกปาจันโภพนาราาาัรรโสยะธรรมนิโชฌติระโสยะถาสภีติโยวิวัติชนตุสพโรโควินสัสตุมาเตปวัตตวันธรายโยสุขีธีคายุโกภว ะ, วะอภพิกวาธนาสีิตสนิจังพุท ธ, ธาปายยัญโยนยัตตาโรธรร ม, มวัฒนิติอายุวันสุขังพะลัง พรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วนู่นนู่นอาจารย์มณนะธรรมัดไปก่อนแล้วทำวิมานเกียร์ะต้องเลยไ ป, ไปทำวิมานเกียร์ <c oughs>